จนพเดี๋ยวอีกสักครู่ตอนนี้พระอาจารย์พร้อมที่จะบรรยายแล้วตอนนี้ขอให้โย ม, โยมทั้งหลา ย, ยกราบบูชาพระธนไตรเนะเาะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมี สวากาโตพควตาธโมธรรมนามาซาณีสุปฏิปันโนพควโตสาวกสังโคสั้างขังนามิ แลก็ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้ก็มาฟังพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัจรุนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วพระเจ้าก็สวยมืิสุข49วัน7สั ป, ปดาห์หลังจากนั้นก็พิจารณาตรวจดูสัตว์โลกดังที่เราได้ทราบกันคือพระองค์ก็จาริกจากโพธิมณฑลคือพุทธกายนั่นแหละไปที่ปายิสิปตนมรรคทายวันแฝงเมืองพระราศีเพื่อจะไปโปรดปัญญวัคคีทั้งห้า แต่ในระหว่างที่เดินทางนั้นก็คือเจอกับอุปการชีวกนักพจน์ที่เคร่งครัดสละและซึ่งการมาคุ่เนเมื่อไปเจออุปการอุปการก็ทักว่าท่านเป็นสิทธิ์ของใครใครเป็นอาจารย์ของท่านเป็นต้นคนในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเจอหน้ากันเขาจะถามว่าใครเป็นท่านเป็นสิทธิ์ของใครใครเป็นอาจารย์ของท่านเขาจะถามกันอย่างนี้เขาจะบอกถึงว่าใครเรียน อะไรต่างๆมาจากใครที่ไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้ตนต้องการพูดได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนอุปกาเราเป็นผู้แทงตลอดเราเป็นผู้ครอบงำทมที่เป็นไปในภูมิ3การมาภูมิรูปภูมิอารมณภูมิและแทงตลอดทำที่เป็นไปในภูมิทั้ง4ี่คือการมาภูมิรูปภูมิอารมณ์ภูมิและโลกุตลภูมิได้ด้วยตนเองอย่างนี้ จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาแล้วเขาบอกว่าเราไม่มีอาจารย์อาจารย์ของเราไม่มีเป็นต้นอย่างนี้นะนั่นคือการสนทนาการเพื่อจะทำให้อุปการชีวกได้อัธยาศัยแล้วครั้งนั้นแหละเป็นอุปการละเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมากจากการฟังครั้งนั้นนะอุปการชีวกก็เลยได้อัธยาศัยแล้วอยู่ต่อมาเมื่อเผชิญปัญหาชีวิตอุปกาชีวกก็เลย ทิ้งทุกอย่างแล้วก็เดินตามหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาก็ได้ฟังธรรมเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วบวชและได้บรรลุเนี่ยนะได้บรรลุธรรมอันนี้คือพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีพยานทั้งตลอดจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นต้นแล้วต่อมาพระองค์ก็ไปแสดงพระธรรมจักกระเพาะเทนสูที่ป่าอิสิปัตนะมรุกะทายาวานันแขวงเมืองพรนาณาสี ไปที่ตรงนั้นน่ยที่ใช้คําว่าพุทธเจ้าบอกกับอุปการว่าอุปกาถามว่าจะไปไหนพุทธเจ้าบอกว่าเราจะไปลั่นกองเพลียไปลั่นกองเพลีที่ไหนไปลั่นกองเพลีที่ปลายสิปันน า, าบริเวรไทยวันถ้าพูดอย่างนี้ก็เห็นชัดว่าเพราะว่ามูสัตว์ในหลับไหลด้วยอํานาจของราคาโทสาโมหะมานาทิถิวิจิกิจชาหิริกาอนตปะอุทะจามูสัตเนี่ยถูกิเลีปกครองกุ้มรุม ทำร้ายเอาสัตว์นั้นก็หลับไหลไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาหรือไม่สามารถจะตื่นขึ้นมาได้เพราะขาดยานปัญญาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกอุปการว่าพระองค์จะไปลั่นกองเพลียไปลั่นกองเพลีที่ไหนที่ปายิสิ ป, ปัตนาเบลกทายวันนั่นแหละฉะนั้นเมื่อไปถึงปายิสิ ป, ปัตนาเบลกทายวันเนี่ยสังเกตดูที่แรกจริงๆเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยไม่ปรารถนาตั้งกติกากันใช่ไหมว่าจะไม่คุยด้วยไม่สนทนาไม่ลุกลับ แต่กติกาเหล่านั้นก็อันตรธานไปเมื่อเห็นพระวรากายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยมหาบุริสละขนาดสามสิบสองประการอนุอยันชนา80และมีพระฉับพันนลังสีแผ่ออกมา <c oughs> นเนี่ยนะโอ้โกติกาที่ตั้งกันไว้ก็ลืมหมดใที่สุดจริงๆก็พระพุทธเจ้าก็ยืนยันความตัสรู้ที่แรกจริงๆเนี่ยปัญจวัคคีมปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็ย้อนกลับว่า เธออุปถากเราหกปีคําว่าตัสรุนุตรสัมมาสัมพวิยานเนี่ยเราได้พูดคํานี้บ้างไหมอุปปัญญวคีนึกได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ไม่เคยพูดก็เลยตัดวิจิกิจฉาออกเชื่อมั่นว่าท่านผู้นี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนอก็เลยไปแสดงธรรมจากนั้นการที่ไปแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นลั่นกองลบปลุกสัตว์ให้ตื่น จากความหลับไหลถ้าโยมเข้าใจบริบทตรงนี้นะให้สังเกตุว่าเวลาออกรบเนี่ยนะในสมัยก่อนเนี่ยเขารบกันได้มีดได้ดาบได้หอกเนี่ยเขาจะมีกองกองรบฉะนั้นเวลาเขาตีกองรบเนี่ยนะลั่นกองรบตึงต้งๆๆๆๆ ต, ต, ต, ต, ต, ต, ตให้ถอยให้ตั้งขบวนแล้วก็ให้สู้เนี่ยฉะนั้นอาการณีอย่างนี้เือกันว่าพระพุทธเจ้าเป็นลั่นกองเพลียลั่นกองรบ ปลุกสัตว์ให้ตื่นขึ้นมาให้สู้กับกิเลสฉะนั้นว่าอย่าไปยอมจำนนต่อราคะโทสะโมหะอย่าไปยอมจำนนต่อความกำหนัดความขัดเคืองความมัวเมาและความลุ่มหลงบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี่ยอมจำนนมานานแล้วฉะนั้นพระพเจ้าก็เลยมาแสดงธรรมก็คือปลุกสัตว์ให้ตื่นขึ้นมาก็ประดุดดังลั่นกองนั่นแหละว่าเออเนี่ย ให้ฟังให้เกิดความเข้าใจให้เกิดใจเกิดความเชื่อมั่นปราโมทแกล้วกล้าอาถาร์ขึ้นมาเพราะเกิดความปราโมทแกล้วกล้าอาถาร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะได้รู้วิธีการในการที่จะจัดการกับกิเลสยังไงจะมีการรวมประชุมธรรมะอย่างไรจะประชุมธรรมะว่าจะเอาตุกกลุ่มสติปัฏฐานสมปทา น, ทานอิทธิบาทอินทรพราพโชงหรืออย่างที่เรากาลังศึกษากันก็เรื่องว่า เมตตากรุณามุติตาแล้วเวขาซึ่งเป็นธรรมะภาคด้านอยู่ในจิตใจเนี่ยความรากักความปรารถนาดีที่เป็นเมตตากรุณาความสงสารมุติตาพอยินดีวเวขาความวางใจเป็นกลางแล้วธรรมะเหล่านี้มีสัมมาสังกปะเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้เกิดอย่างไรคือความดําริี่ชอบดําริออกจากกรามดําริในการไม่พยาบาทดําริในการไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนอย่างไร แล้วเชื่อมโยงกับความฉลาดคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนัิการอย่างไรมีตัวสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนั้นนะ่ะเกิดร่วมอย่างไรที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้พรหมวิหารเกิดขึ้นในใจเมื่อพรหมวิหารเกิดขึ้นในใจแล้วขับออกมาเป็นสังขารวัตถุที่เรียกว่าทานปิยาวาจาอัตจริยาสมาณตตาแล้วก็เชื่อมโยงลงสู่ศีลที่เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะและสัมมาอาชีวะเป็นต้น ที่วัดเว้นจากการฆ่ า, า, า, าการละการประพฤติผิดในการมเนี่ยฉะนั้นกระบวนการของธรรมะเหล่านี้ที่ตื่นขึ้นมาหรือเกิดขึ้ น, นมาในกระแสชีวิตของหมูสัตว์เนี่ยเพื่อที่จะปลุกสัตว์ให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลด้วยอํานาจของกิเลสปกคลุมอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้านั้นจึงมาลั่นกองเพลีสถานที่ป่าอิสิปตนนบรุรคธาเยวันนั้นเป็นสถานที่ลั่นกองลบ <c oughs> จะเรียกว่าหมุนกองล้อก็ได้หมุนกองล้อแห่งธรรม ก็คือนี่แหละเมื่อหมุนกงร้อแห่งธรรมะก็คือธรรมะจักนี่แหละจักกะก็คือการหมุนใช่ไหมจักกะนี่ก็คือการหมุนนี่แหละการหมุนกงร้อแห่งธรรมะในนั้นจะบอกว่าสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทอินร์สีพระโพชฌงอริยมรรคจะพูดถึงศีลสมาธิปัญญาพูดอริยมรรคมีองค์แก็เลยก็ว่ากันไปแต่นั้นแหะคือกระบวนการของการที่จะขับเคลื่อนธรรมะให้เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตจากการที่หมู่สัตว์ยอมจานนต่อความโลภกฎหลงเป็นต้นเนี่ย เราก็เลยพระพุทธเจ้าก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาที่ตรงนั้นเวลาไปจึงมีพลังมากโอ้โหที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าลั่นกองลบเราเป็นส ม, มณะเชื้อสายศากยะบุตรพุทธชิโนโอรสเราเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภิกษุเป็นอุบาสกเป็นนิบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีวิธีมีอุบายวิธีในการที่จะสามารถประพฤติ ธ, ธรรมและปฏิบัติธรรมเนี่ย สามารถที่พระพุทธเจ้าให้ข้อมูลถ้าเรามีสุตตวาริยาสาวกโกชัดแล้วที่บอกว่าได้ยินเสียงกู่เรียกของพระพุทธเจ้าก็แปลว่ามีสุตตามีข้อมูลของพระพุทธเจ้าอย่างดีแล้วเมื่อมีสุตตามีข้อมูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างดีแล้วเนี่ยพระธรรมคือคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็มากระซิปมาคอยบอกมาคอยกระตุ้นเตือน ว่าวาระนี้ควรวางท่าทีทางใจอย่างไรวาระนี้ควรพูดอย่างไรวาระนี้ควรทำอย่างไรในวาระนี้ควรจะให้เมตตาเกิดขึ้นในใจวาระนี้ควรให้กรุณาเกิดขึ้นในใจวาระนี้ควรให้มุติตาเกิดขึ้นวาระนี้ควรใช้อุเบกขาวาระนี้ผักออกมาเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นทานเป็นปิยวาจาเป็นอัถาจาริยาหรือเป็นสมานตะต า, ตาเป็นต้นเนี่ยฉะนั้นหลักการตรงนี้แะเป็นเรื่องที่ เราท่านทั้งหลายควรจะทําความเข้าใจเอามาย้อนนิดหนึ่งวันก่อนเอามาพูดถึงประวัติของหัตถกะอาระวากะอุบาศกเมืองอาราวีท่านผู้นี้แหละเป็นต้นตำหรับแห่งการประพฤติในด้านของสังขาวัตถุและเป็นบุคคลที่ประชุมพรมวิหารและทำได้ดีชัดที่สุดและเป็นผู้ที่เดินสัมมาสังกัปปะคือการคิดออกจากการเป็นเนกขมารคือคิดออกจากการมอัพยาปาทาคิดออกจากพยาบาทเข้าถึงเมตตา เอาอิงสาก็คิดออกจากความคิดเบียดเบียนก็ถึงความกรุณาได้แล้วก็ขับเคลื่อนมาเป็นพรหมวิหารธรรมได้จริงคือเมตตากรุณาบุติตาและเวขาแล้วก็สามารถเป็นภาคปฏิบัติการออกมาเป็นสังคหวัตถุคือทานปิยาวาจาอัธจริยาและสมานัตตาแล้วก็ยึดยองเชื่อมยองสู่ศีลได้นะตูสัมมาวาจาสัมมากรรมตาและสัมมาชีวะได้อย่างแท้จริงฉะนั้นก็จะขอพูดถึงในเรื่องของตัว เห็นไหมเน่ยอย่างสไลด์ที่ขึ้นมาเนี่ยหรือตัวเนี่ยเราจะเห็นตัวสัมมาสังกปะเนี่ยความดําริชอบเนคขมมะสังกปปะก็คือดําริออกจากกามอัพยาปาทัสสังกัปปะก็คือดําริออกจากพยาบาทอวิหิงสาสังกัปปะก็คือดําริออกจากการคิดเบียดเบียนให้สังเกตตัวนะว่าพอดําริออกจากกามเนี่ยคำก็ขับเน้นไปเชื่อมโยงสู่คําว่าอุเบกขา อุเบกขาเป็นนิสระของราคะคือออกจากราคะออกจากความกำหนัดจากการที่เป็นอุเบกขาเป็นนิสระจากราคะเนี่ยก็ผักไปเป็นสมานตตามีปัญญาคิดอ่านแล้วให้สังเกตดูนะว่าเวกาเว้นจากกาเมสุมิชฌาจานี่ชัดเลยเพราะเนกขมารก็คือการออกจากกามออกจากราคะออกจากความกำหนัด การวางใจเป็นกลางและเมื่อคนวางใจเป็นกลางก็ไปเข้าสู่สมาณะต า, ตาเป็นคุณที่ปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นวางตนที่เหมาะสมวางตนเสมอตนมอ้ตนเสมอปลายเสมอในสุขเสมอในทุกเป็นต้นเหล่านี้ยแล้วก็ไม่เลือกทีรักผักทีช่างเป็นต้นอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าเห็นไหมจากสังกับป่าสู่เนคขมมะสังกับปะที่คิดออกจากกามสู่การอุเบกขาการวางใจเป็นกลาง ถ้าผักออกมาเป็นสมานนาตตาปฏิบัติออกมา ก, การคือการเว้นจากกาเมสุภิชฌาจารเป็นศีลเป็นต้นแต่ที่จริงสมานนาตตาเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่การเว้นออกจากออกจากการรมแต่ที่ชัดที่สุดก็คือว่าอุเบกขาเป็นนิสรณะของกรรมของราคะคือการออกจากราคะสภาพที่จิตหลุดพ้นจากราคะหลุดพ้นจากความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินนั่นเองเนคขมะเป็นอย่างนั้นอุเบกขาก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ส่วนอัพยาบดเนี่ยอัพยาบาทก็คือความไม่โกรธ ไม่โกรธก็คือเมตตาเมื่อไม่โกรธแล้วออกจากโทสะได้จะเป็นอะไรก็เป็นเมตตาก็ ค, ความรัความปรารถนาดีกว่ามเมื่อทอนเมื่อความรัความปรารถนาดีความเมื่อทอนก็คือถ้าผักออกมาเป็นการกระทําในศีลก็คือเว้นจากปฏิบาตนั่นแหละเว้นจากอทินาทานด้วยเว้นจากมุสาวาท ด, ด้วยเว้นจากการดื่มสุลาเมีัยด้วยเข้าสู่ทานปิยาวาจาอัตจริยาเป็นต้นด้วยเห็นไหมไปไประชุมอยู่ในทานในศีลทั้งนั้นแหละ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวมุทิตามุทิตาเนี่ยจะมาจากในส่วนของอภิญาบาทก็ได้มาจากอาวิหิงสาก็ได้ความพลอยยินดีก็ไปขับเคลื่อในใการงดเว้นจากปาณาติบาศคุยกันเว้นจากอธินาทา น, ทนเว้นจากการพูดเทศส่อเสียดคำหยาเพื่อเจริเป็นต้นด้วยเว้นจากการดื่มโซราละเมอัยเป็นต้นด้วยแล้วก็เข้าสู่ทานปิยาวาจาอัตจาริยาก็มาจากมุทิตาได้เหมือนกันส่วรายละเอียดดีว๋ยว่ากันอีกทีแต่นี่ชี้้เห็นว่ามันเป็นลักษณะขับเคลื่อนออกมาแบบนี้ เอาวิญญาณก็การคิดที่ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนโดยตรงเลยเป็นกรุณาเมื่อเป็นกรุณาก็คือไม่ฆ่าสัตว์นั่นแหละกรุณาเขาก็ไม่ลักกรุณาเขาก็เว้นจากมุสาวาตกรุณาตนเองกรุณาคนอื่นก็ไม่เอาของมึนเมาใส่กระแสะชีวิตของตนเองถ้าขับเน้นในทานให้ก็ได้กล่าววาจาที่เหมาะสมก็ได้ประพฤติที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นก็ได้ยมก็จะสังเกตเป็นไปในลักษณะนี้ น, นี้ก่อนที่จะไปเจาะเนื้อหาธรรมะตรงเนี้เดี๋ยวบอกประวัติ ของบุคคลที่เป็นเอตทักคะให้ชัดใช่ไหมคืออุบาสกที่เป็นผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยทานปิยาวาจาอัตจริยาสมานตตา น, นี่บุคคลที่ชํานาญที่สุดในการใช้สังขาวัตถุสีฉะนั้นการที่ใช้สังขาวัตถุสีได้เก่งชํานาญที่สุดเนี่ยต้องใช้สังขาวัตถุสีที่มีพระมิหารอยู่ในใจพระมิหารจะอยู่ในใจเป็นธรรมะประจําใจได้ต้องมาจากตัวสำมาสังกปะคือการดำริชอบ การตั้มหชอบจะเกิดขึ้นมาได้ก็มาจากโยนิโสมนัิการความเป็นผู้ฉลาดคิดความเป็นผู้ฉลาดคิดไม่ใช่ผักแค่สัมมาสังกปาเท่านั้นยังเป็นปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตั้งแต่เห็นว่ากสัตรว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้เป็นการเป็นองค์าพยพของการเกิดขึ้นของพระธรรมหัตธกาอลวะโกบาศกเป็นผู้ชํานาญมากในสังขาวัตถุ คำว่าขับชำนาญสังา ว, วตถุเนี่ยแปลว่าชำนาญในธรรมะชำนาญในการในการเดินมักมีองค์8ในชีวิตจริงนั่นแหละท่านหัตถกาอรลวากวาสกได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสด า, าให้เป็นยอดของอุบาสกทั้งหลายผู้ทรงเคาะบริษัททั้ง4 ส, สมัยก่อนมีทั้งภิกษุมีทั้งภิกษุณีมีทั้ ง, งบาสกบาสิกาท่านชนานาญมาก ด้วยเหตุสองประการก็คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณเพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเป็นอย่างชัดเจนว่าในคุณข้อนี้ของท่านและไม่เพียงเนื่องด้วยเหตุของข้อนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นการได้รับแต่งตั้งโดยเหตุที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตงนั้นการตั้งปรารถนาไว้ในอดีตเนี่ยวันนี้โยมก็สามารถตั้งตัวเองได้ตั้งเจตนาว่าจะเป็นอะไร มันอยู่ที่เจตจํานงอยู่ที่ความจงใจอยู่ความตั้งใจถามว่ายอมคนที่เป็นคนขี้โกรธเนี่ยคนขี้หงุดหงิดมาจากความตั้งใจใช่ไหมตั้งใจแต่ตั้งใจแบบไม่รู้ตัวเช่นมองจุดด้อยคนเยอะๆมองจุดด้อยตัวเองมากๆก็จะกลายเป็นคนขี้โกรธกลายเป็นคนน้อยใจกลายเป็นคนเครียดง่ายไอการที่เรามีเจตจํานงมีความจงใจมองจุดเด่นของคนอื่นมากๆ ก็จะกลายเป็นคนมีจิตเมตตารักปรารถนาคนอื่นการที่มองจุดเด่นของคนอื่นเห็นคนอื่นประสบความสุขทั้งหลายเหล่านี้แล้วมีความชื่นชมในความสุขของคนอื่นก็จะกลายเป็นคนที่มีมุทิตาได้ง่ายหรือมีจุดเด่นมีเจตจํานงมีความจงใจตั้งใจว่าเราจะรักษาเราจะทําปัญญาให้เกิดขึ้นเราจะมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ทั้งหลายเหล่าน like ี้เป็นต้นก็จังมากด้วยการวางใจเป็นกลางได้เป็นต้นเห็นว่าทั้งหมดเหล่านี้เราตั้งใจที่จะเป็นโดยไม่รู้ตัวว่าเราตั้งใจบางคนอยากจะเป็นอะไรอ่ะเช่นเราไปเราเห็นดาราเป็นไอดอลของเราเราก็โอ้โหอยากจะเป็นดาราอย่างคนคนนั้นทั้งทั้งที่เรารู้เขาเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เราอาจจะรู้เขาเพียงแค่สิเนี่ยดาราคนนั้นน่ยแต่เราอยากเป็นเขาแล้วอยากจะเป็นอย่างคนคนนั้นแต่ในกรณีที่หัตถกะและว่าเก่าอุบาสกเนี่ย ท่านอยากจะเป็นคนสงเคราะห์บุคคลอื่นอยากจะชำนาญในการใช้สังหาวัตถุเนี่ยท่านไปเห็นไปเห็นพระบรมศ า, ศาสดาองค์ก่อนๆ ก, ก็คือในสมัยอดีตเนี่ยัทธกาและว่าก่าอุบาสกเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้านามว่าปฐุมุตระสามมาสามพระุทธเจ้าเนี่ยเออบังเกิดขึ้นในเรือนตระกูลแห่งกรุงหังสาวดี ต่อมาท่านฟังธรรมกถาของพระบรมศาสด า, ศาเห็นพระบรมศาสด า, ศาสถาปนาอุบาสกท่านหนึ่งที่ประกอบไปด้วยสังหาวัตถุบกท่านพวกนีกาาก้ชำนาญมากมีเอตทัะคะมากชำนาญในการสงเคราะห์ในการให้ในการกล่าวปิยาวาจาในการบางเป็นอัธยจริยาและบางเป็นประโยชน์และในการวางตนที่เหมาะสมในตําแหน่งนี้จึงทํากุศลอย่างยิ่งยวดเลยพอท่านเห็นตัวอย่างแบบนั้นท่านก็ตั้งอัธยาศัยมาท่านบอกว่าท่านยังไม่อยากบรรลุน แต่ท่านอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาสัมปวียาณของวิทยาองค์ข้างหน้าพอท่านศึกษาประวัติของท่านผู้ชนานาญในสังขาวัตถุอย่างดีอย่างยิ่งยวดไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะเป็นใครหรือเรารู้เรื่องของใครในปัจจุบันเนี่ยรู้เขาไม่ถึง 10% เราก็อยากเป็นเาไม่ใช่ไหจกาแล้วว่ากาอุบาสกเนี่ยรู้ทั้งหมดรู้เขาทำยังไงเขาปฏิบัติยังไง ให้ทานยังไงวางอันเถอะให้ทานด้วยเมตตาอย่างไรให้ทานด้วยมุทิตายัางไงให้ทานด้วยกรุณายัางไงแล้วก็พูดด้วยเมตตาอย่างไรพูดด้วยกรุณาพูดด้วยมุทิตาอย่างไรทำประโยชน์ด้วยก ร, รุณามุทิตาอย่างไร9ก้าข้อนี้ทำอย่างชำนาญแล้วการวางตนให้เหมาะสมทำยังไงท่านเริ่มฝึกตั้งแต่สม v, ัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนี่เป็นต้นท่านบอกว่าเนี่ยเป็นไอดองท่าน เป็นบุคคลต้นแบบของท่านท่านจะต้องเป็นอย่างนี้ได้และเมื่อท่านเป็นได้ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาสัมพุทธิยาณเพื่อจะได้เกื้อกูลบริษัทบริวารของตนเองเกื้อกูลพระพุทธเจ้าเออไม่ใช่เกื้อกูลสาวกพระพุทธเจ้าระดับพระภิกษุด้วยระดับภิกษุณีด้วยระดับอุบาสกบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเนี่ยในสมัยท่านก็เวียนว่ายตายเกิด ในปัจจุบันนี้ท่านมาถือปฏิสนธิในราชนิเวศของพระเจ้าอาร ก, กะกรุงอาราวีแควนอาราวีรุ่งขึ้นท่านกระสุกส่งตัวไปให้อาราวกายักษ์พอท่านเกิด๊บเนี่ยนะท่านถูกส่งตัวให้ไปให้ไปอาราวกะยักษ์เนี่ยพร้อมได้ถาดอาหารในเรื่องเนะียคืออย่างนี้ได้เล่าไปแล้วครั้งก่อนแต่วันนี้เล่าอีกนิดนึงเพื่อเราจะได้ไม่สับสน ก็คือพระเจ้าอรหกกะเนี่ยไปประพาสป่าก็คือเข้าป่าล่าเนื้อเนี่นเองก็ตามเนื้อตัวหนึ่งไปฆ่าได้แล้วก็เลยตัดเป็นสองท่อนตัดเนื้อใด้ผูกคล้องไว้ที่ปลายธนูแล้วก็เสด็จกลับพระราชนิเวศน์ก็ตอนเดกกลับเนี่ยเหนื่อยแดดร้อนจึงเข้าไปใต้ต้นต้นไม้ก็เยกต้นไสรสบายก็เลยเป็นหลับทีนี้ ไอ้ต้นไม้ต้นนี้มีอรารวาจยักษ์ที่สิงอยู่ที่ต้นไม้ น, ะนั้นก็มาจับผ้าหัดของพร้อมกล่าวว่าหยุดหยุดท่านต้องเป็นอาหารของเราเพราะเราจับท่านได้แล้วคืออรารวาจยักษ์นี่นะเป็นยักษ์ที่เป็นลูกน้องของเทเวศวรเทเวศวรบอกว่าห้ามไปจับคนอื่นยกเว้นถ้าใครเข้ามาในเกตแอเอเรียเนี่ยคือเขตบริเวณต้นไม้เนี่ยก็สามารถจับกินได้ก็เลยนี่แนะไปจับพระยอวดี น, นเลยได้พระเจ้าวินดีนก็เลยบอกว่าโอ้โ oh, ห บอกว่าขอชีวิตเถอะเราเป็นพระเจ้าเป็นดินถ้าเราท่านให้ชีวิตเราเราจะสามารถส่งมนุษย์เนี่ยมาให้ท่านกินได้ทุกวันวันละคนเนี่ยเราก็เลยเป็นกติกามาพระเจ้าเป็นดินกลับไปก็นั่นแหละเอานักโทษนักโทษทหารในคุกส่งมาทุกวันทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันเลยตอนเนี้ยนักข้าวนักข้าวก็มนุษย์ ในคุกหมดแล้วก็เริ่มหาวิธีการอย่างอื่นเยอะแยะหมดในรายละเอียดไม่เล่าแล้วแต่ในที่สุดจริงๆก็นี่แหละจนต้องมาจับลูกชายดัดยเองนี่แหละเพราะว่าเขาหมดแล้วจับเด็กพ็จับเด็กไม่ได้ก็นึกในใจว่าลูกนะี่เรายังมีชีวิตยอยู่สามารถมีลูกได้ถ้าเอาเราไปนี่ไม่ได้ไม่เช่ไม ไ, ไ, ม ไ, ไม่ได้เอานี่แหละ เ, เ, เอาลูกนี่ไปเดี๋ยวเราจะมีใหม่ก็ได้เรื่องลูกว่างั้น แลวเลยส่งอาระวะกะกุมารเนี่ยไปแล้วส่งถาดไปแล้วในทีนี้พระบรมศาสดาในครั้งนั้นตรวจ ด, ดูโลกในระหว่างใกล้รุ่งก็เห็นอุปนิสัยมักผลของอาระวะกะกุมารว่าเออเด็กพวกนี้ต่อไปในอนาคตจะได้เป็นได้สามมากักก็คือเป็นพระกาทาคามีมากนาค่ะอาหาัต สโสดาสกาธานาคาคือว่าท่านคนนี้จะได้เป็นพรานาคาแล้วก็โอ้โหท่านคนนี้ตายไปแล้วบำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะเนี่ยใช่ไมสองเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกื้อกูลแก่มนุษย์ว่างั้นเถอะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นอุบาสกที่ได้รับได้รับสถาปนาเป็นบุคคลที่สมบูรณ์เอยเป็นได้ได้ได้เอตตทักฆะทางด้านสองข้อ สังขาวัตถุหลังจากอย่างนี้แล้วเนี่ยดังนี้แล้วในเวลาเย็นก็เสด็จไปที่ตอนที่จริงเ่ยตอนเช้าเขาทิงจะส่งเด็กมาใช่ไหมพระเจ้าไปตั้งแต่ตอนเย็นนะพร้อมพระองค์ไปยังที่อยู่ของอรารวาจยักษ์ขอร้องยักษ์ตอนนั้นอรารวาจยักษ์ไม่อยู่อรารวาจยักษ์เนี่ยเป็นเสนาเป็นยักษ์ระดับเสนาบดีถ้าปัจจุบันอย่างที่ได้บอกว่าเป็นเหมือนระดับรบัฐมนตรี มีอยู่มายี่สิบแปดองนะเสนาวดียักษ์เนี่ยปัจจุบันนี้เขาประชุมกันอยู่ถ้าเล่าอย่างนี้ท่านก็ยิ้มเลยเนี่ยโอ้เอาชีว่าประวัติของท่านมาเล่าโอ้โหท่านเพราะตอนนี้ท่านท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่ในชั้นจาตุมหาราชกาแต่ไม่รู้วันนี้ท่านประชมหรือเปล่าถ้าไม่ระชมท่านอาจจะฟังว่าเราอยู่ <laughs> ฟังว่าเราอยู่น่าตื่นเต้นท่านก็คงโอ้โหเอาประวัติของท่านมาเล่าอย่างเนี้ยวั น, น, กนก่อนก็เล่าไปทีหนึง่งแล้ววันนี้มาเล่าอีก แล้วก็ท่านก็ชื่นใจนะเพราะว่าท่านเป็นตอนนี้ท่านเป็นอะไรท่านเป็นอุบาสกของพระพุทธเจ้าของในศาสนาเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนหน้านั้นท่านไม่ได้เป็นนะท่านเป็นยักษ์ที่ดุร้ายทีนี้ท่านมีลูกน้องตอนที่มีลูกน้องก็คือว่าคันทัพระเนี่ยเป็นยักษ์เป็นคนเฝ้าประตูแล้วเฝ้าประตูเพื่อให้เสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของยกักษ์ ขันทภะก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระโปรดเสด็จเข้าไปเถิดส่วนข้าพระองค์จะไม่บอกอารวกกล็อกไม่ควรแน่จึงได้ไปในสำนักอารวกกยักน่ยที่ทจริงๆพระบรมศาสดาก็บอกบอ ก, บอกเธอที่มาตรงนี้ต้องการให้เธอบอกจริง ๆ, ๆนเนี่ยพระศาสดาก็เข้าไปแล้วก็ประทับนั่งบนบันลังที่อยู่ของอารวกกยัก สมัยนั้นเนี่ยสาตาคิริยักษ์และเหเมะวัตยักษ์กาลังไปสู่ที่สมาคมของหมู่ยักษ์ก็คือเขาไปประชุมกันเหาะผ่านทางมาเบื้องบนที่อยู่ของอะะารวาตยักษ์แต่ไม่สามารถผ่านได้เวลาพระเจ้าประทับนั่งณที่ไหนเนี่ยใครจะเหาะข้ามไม่ได้ถ้าเลี่ยงหลบได้ฉะนั้นตั้งแต่ที่พระเจ้านั่งไปจนถึงภระวกรพมเนี่ย เครื่องบินก็บินผ่านไม่ได้ถ้าพระเจ้าประทับอยู่ไม่ได้นี่เนี่ยอนุภาพของพระเจ้าเป็นอย่างนี้เนื่องจากไม่มีผู้ใดาสามารถจะข้ามข้าข้ามได้เพราะยักษ์ทั้งสองก็นึกว่ามีเหตุอะไรหนอก็เลยเห็นพระบรมศาสดา น, นั่งอยู่ในภพของ อ, อวกลยักษ์สาตาคิรยยิยะและเฮมาวัาตายักษ์ก็เลยเข้าไปฟัพามมางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายบังคมพระพเจ้า คั้นแล้วจึงประกาศความยินดีไปกราบพระเจ้าแล้วก็บอกกับพระเจ้าสนทนาได้เล็กน้อยแล้วก็ฟังธรรมอยู่พระเจ้าเล็กน้อยก็บอกว่าข้าพราะองค์ติดประชุมจะต้องรีบไปพระเจ้าเขาไเรียกว่าอะไรเนี่ยแล้วก็รีบไปรีบพอกลับไปแล้วก็ไปบอกกับท่านอาระวะาจยักษ์นี่แหละท่านมีลาบใหญ่แล้วที่พระผู้เป็นอัครบุรุษ อัครามหาบุรุษในโลกพร้อมทั้งเทวโลกประทับนั่งในที่อยู่ของท่านจงไปฟังธรรมเพราะงั้นถ้ากลับจะประชมท่านจงเข้าไปฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาเถอะอาราวะกยักษ์เนี่ยฟังคำของยักษ์ทั้งสองนั้นแล้วก็คิดว่ายักษ์ทั้งสองนี้พูดว่าพระสมณา้โล้นรูปหนึ่งบางอาจนั่งบัลังของเราก็ไม่พอใจ โกรธเกลี้ยวพูดว่าวันนี้เรากับสมณารูปเนี้จะต้องทํำสงครามกันเอาละแต่นี้คือจะต้องสู้รบกันพวกท่าน ok จงเป็นสหายเราในสงครามนั้นแล้วก็ยกเท้าข้างขวาเหยียบยอดเขาประมาณ60สยอดยอดเขานั้นก็แตกออกเป็นสองเสียงนี่โกรธมาก ok าก็อลรวาคยักษ์เนี่ยรบกับพภพรมัสสดาโดยประการต่างๆ ต, ต, ตลอดทั้งคืนจริงๆเนี่ย ลบก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรพระบรมศาสดาได้เลยแล้วก็ยอมจำนวนอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าต่อมาเนี่ยยอมแล้วก็เลยบอกดีๆพระพุทธเจ้าว่าช่วยออกจากที่นั่งของข้าพเจ้าหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ออกไปแล้วก็เลยบอกอีบอกง่ายเนี่ยเมื่อกี้สู้กันแทบตายเนี่ยเราไม่สามารถสู้อะไรได้ทําแม้แต่ชายจีวรปลิวยังทําไม่ได้เลยว่างั้นเถอะเออพอพูดง่ายๆแค่นี้พระองค์ออกไปเลยเออลองพูดใหม่ที่ บอกว่ากลับมานั่งที่เดิมหน่อยสิ้ระพุทธเจ้าก็กลับมาแล้วก็พูดกลับไปกลับมาพพุทธเจ้าก็ทําให้เห็นไหมใจก็เลยเกิดอ่อนโยนโอ้ท่านผู้นี้เป็นบุคคลที่มีอนุภาพมากก็เลยน้อมใจในการที่ฟังธรรมพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านก็เลยได้เป็นพระโสดาบันไอความโหดร้ายในใจหมดทุก อ, อย่างหมดจิตที่คิดจะฆ่าหมดแล้วคนที่เป็นพระโสดาบันก็คือกุศลศีลศีลหก็บริบูรณ์บเส็จ รุ่งขึ้นเวลานำถาดอาหารไปพระราชบุรุษเนี่ยก็นำเด็กก็คืออาราวากากุมา น, นี่แหละแต่ก่อนยังไม่ได้ชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยพอมาพบกบส่งมาก่อนอเลยว่างั้นทีนี้เมื่อไปถึงเนี่ยพวกราชบุรุษก็วางอา ร, อาราวากากุูมานเนี่ยในมือของอาราวากายัก อาะวะรวาักก็อุ้มเด็กวางลงในพระหัตถ์ของตอนนั้นน่ะอาะวะรวยักอายมากเพราะเขาส่งอาหารใช่ไหมมนุษย์เอาอาหารไปส่งยักษ์ก็อเอาเด็กเป็นๆ เ, เนี่ยอายมากทีแรกไม่กล้าจับเด็กโดยทั่วไปอายพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกจับที่อุ้มที่ท่านก็เลยอุ้มพออุ้มเสร็จแล้วก็เลยถวายเด็กไว้ในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ให้กลับอาะวะรวาจักกลับจับเด็กเสร็จแล้วก็ส่งกลับคืน พรุมารนั้นน่ยจากมือหนึ่งสู่มือหนึ่งดังกล่าวเนี่ยจึงพากันขนานพร น, นามว่าหัตถ ก, กะอลาวกะคือไปตกอยู่ในมือหัตถกะอลาวะกะยักษ์อลาวะกะยักษ์ก็ยกไปถวายพระเจ้พาพระเจ้าก็ยกกลับมาสู่มือของหัตถกาอลาะวะกะยักษ์อีกหัตถกะอลาวะกะยักษ์ก็เลยบอกว่าเธอปลอดภัยแล้วเรางดเว้นจากการฆ่า งดเว้นจากการลักงดเว้นจากการบตริผิดในการเป็นต้นแล้วเราเป็นอุบาสกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเราเข้าถึงธรรมของพระบรมศาส์สดาแล้วอย่างนี้เป็นต้นจากคนดุร้าย ก, ก็กลายเป็นคนเชื่อราชชุบรลเหล่านั้นก็ดีใจพากุมาณนั้นไปนยังสำนักของพระราชาพระราชาทอดวันเนธเห็นกุมาณนั้นแล้วทรงเข้าพระทัยว่าวันนี้อารวาจยักษ์ไม่รับถาดอาหารก็ตรัสถามว่าเหตุอะไรพวก เขาก็กราบทูลว่าข้าแต่เทวะความยินดีและความจำเริญมีแก่ราชสกุลแล้วพระศ า, าสดาประทับนั่งในพบของอรารวะกายักษ์ทรงทรมานเห็นไหมทรมานอรารวะกายักษ์ให้เขาดำรงอยู่ในภาวะเป็นอุบาสกโปรดให้อรารวะกายักษ์เนี่ยให้กุ ม, มารแก่พวกข้าพระ อ, องค์แล้วเจ้าค่ะคำว่าทรมานเนี่ยมันมาจากคาว่าธรรมะ พอมาเรียกเป็นภาษาไทยแปลวทรมานทรมานฉะนั้นคนที่มีจิตใจกระด้างคนมีพฤติกรรมที่กระด้างกระเดืองทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปทรมานสมัยก่อนคาว่ า, าทรมานไม่เหมือนอย่างภาษาไทยเรานะพวกเรานี่จับใครมาทรมานก็เอาไปขังเอาไปทุบไปตีใช่ไหมแต่พระเจ้าคําว่าทรมานพระเจ้าก็คือฝึกฝึกจากคนหยาบกระด้างให้เป็นคนอ่อนโยน ฝึกจากคนฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการฆ่าฝึกจากคนลักทรัพย์ให้ออกจากให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ฝึกจากคนพูดผิดในการไม่งดเว้นจากการพูดผิดในกาลฝึกจากคนพูดเท็จส่อเสียดให้ไปพูดความจริงคำที่เป็นประโยชน์ฝึกจากคนปฏิสัมพันธสติสัมปชัญญะตนเองให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะตัวเองฝึกจากคนขี้โกรธให้มีเมตตาคลริษยาให้มีมุทิตาคนคิดเบียดเบียนคนอื่นให้ให้มีกรุณาฝึกจากคนที่ลำเอียงเพราะอคติให้มีอุเบกขางนี้เป็นต้น นั่นเขาเรียกฝึกฉะนั้นก็เรียกว่าทรมานยอมอยากให้พระพุทธเจ้าทรมานไว้แล้วนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทรมานคนฝึกคนได้ดีที่สุดฉั้นคําว่าฝึกกับคํากกคว่าทรมานเนี่ยธามะเนี่ยก ว, ว่าที่พระพุทธเจ้านั้นในองค์พุทธคุณข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็คือว่าเป็นฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าภาษาบาลีว่าไง ธรรมะสารถีใหฝึกให้ปริญาเนี่ยปุริสะธรรม ะ, นะรมะรนนเนี่ยธรรมะศัพท์นั้นน่ยธรรมะหรือธรรมะธรรมะทธฐารนะไม่ใช่ธรมททธรมะทธทงนะธรรมะศัพท์นั้นเราฝึกนะฝึกก็คือมาเขียนเป็นภาษาไทยก็คือทรมานนะี่นั่นแหละ ก็คือพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ทรมานหมูสัตว์หรือฝึกสัตว์ได้ดีที่สุดแต่พูดถึงทรมานพวกเราก็แต่ก่อนก็โอ้เราว่ากายักษ์นี่ถูกพุทธเจ้าทรมานแล้วก็อีกเยอะมากพุทธเจ้าทรมานเช่นช้างใช่ไหมนาฬาคีลิงพุทธเจ้าก็ทรมานองค์คุริมาเ น, นพุทธเจ้าก็ทรมานจากคนโหดร้ายกลายเป็นคนดีงี้เป็นต้น ทีนี้หลังจากนั้นหลังจากที่ชาวพันต่อมาเนี่ยเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จบินธบาต ท, ที่เมืองอาราวีก็เลยให้อล า, าวกายักษ์เนี่ยถือบาทและจีวรถือบาทจีวร เวลาพระเจ้าเนี่ยที่ปกติพระเจ้ายังไม่เข้าหมู่บ้านเนี่ยเดินไปในป่าเนี่ยพระเจ้าไม่ห่มจีวรก่อนนะจะเป็นลักษณะเงี้ยพอจะเข้าชายหมู่บ้านถึงหอมจีวรอาราคยัก็ถือบาทด้วยถือจีวรตามพระเจ้าด้วยพระเจ้าก็มีสบงมีอังศาอีกผักแต่อย่างงี้ก็เดินเดินไปพอจะเข้าหมู่บ้านไปเสร็จเพื่อเอาจีวรมาหอมหอมเสร็จก็ถวายบาทพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเออตอนนี้อารากยัก็บอกว่าอายมาก เกลัวเขาจะประทุสลายเอาพระเจ้าก็บอกไม่มีโทษไม่มีภัยลอกไปกับพระบรมศาสดาแล้ท่านก็ไปแล้วก็เมื่อปลอบอาวะกยะกบอกไม่มีเมื่อท่านไปกับเราก็จะสิ้นภัยว่างันเถอะแล้วก็ประทับอยู่แนวปลาใกล้พระนครพระเจ้าอรวกะก็ทรงทราบข่าวตอนรับพระบรมศาสดาพระศาสดาก็โปรดนะแล้วก็ทรงแสดงธรรม ในครั้งนั้นหมู่สัตว์บรรลุ ก, กันมากมายในคําสอนเขาบอกว่า 84% 00มได้ดื่มน้ำามาํำอมฤตได้บรรลุธรรมกันนะหัทธกะและวะกะกุ ม, มานั้นเมื่อเจริญวัยขึ้นมาฟังธรรมจากผู้บรมศาสดาแล้วก็แทงตลอดมรรคผลทั้ง3นีโสดาปฏิมรคโสดาปฏิผลสกาธาคามีมรคสกาธาคามีผลนาคามรคอนาค า, า, า, าบุญก็เป็นผ้านาคาเป็นผู้เป็นอริยาสาวกเป็นพระสกาธาคามี แล้วก็มีบริวารแวดล้อม500ไปหน้าที่ไหนนี่มีบริวาร500แล้วต่อมาสมัยหนึ่งพระป ร, รมศา ส, สดาประทับอยู่ณอัรคระเขาเรียกอัคารวะเจดีใกล้เมืองอรารวีเนี่ยครั้งนั้นแหละหัตถกะและวว่าเก่าบาศกเนี่ยชาวเมืองอรารวีมีอุบาศกเพราะเป็นบริวาร500คนแวดล้อมแล้วเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระปรมศาสสะตาตัดถามหัตถกะแล้วว่าเก่าบาศกบอกว่า ดูก่อนหัทกะบริษัทของท่านนี้มากมายขนาดนี้ไปนะที่ไหนท่านมีบริวารขนาดนี้ท่านสง่งเคาะบริษัทบริวารใหญ่นี้อย่างไรออท่านปฏิบัติต่อบริวารเยอะแยะอย่างนี้อย่างไรหัทกะแล้วว่ากราบุษกเมืองอาวีก็กล่าวทูลว่าข้าแตาพ่พระองค์พระเจริญพระผู้มีพระภาคข้าพระภาพเจ้านี่ข้าพุทธเจ้าเนี่ยทรงสแสดงสังขาวัตถุส ประการไว้ก็หมายความว่าพระริจ่าแสดงสังขาวัตถุสประการเนี่ยให้ข้าพระองค์ถ้าพระองค์ก็นำสังขาวัตถุสี่ที่พระองค์แสดงเชื่อมโยงกับพรหมิหารยังไงหลักการในการประพฤติปฏิบัติอย่างไรข้าพระองค์มีความเข้าใจอย่างดีในสังขาวัตถุคือทานปิยาวาจาอัถจริยาสมาณตติ์ข้าพระองค์ก็รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยทาน ผู้นี้ควรส่งข้อด้วยวาจาอ่อนหวานข้าพระองค์ก็ส่งข้อด้วยวาจาอ่อนหวานท่านผู้นี้ควรส่งข้อด้วยการส่งข้อด้วยการประพฤติประโยชน์ข้าพระองค์ก็ประพฤติประโยชน์ผู้นี้ควรส่งข้อด้วยการวางตัวเหมาะเสมอข้าพระองค์ก็วางตนเสมอข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พวกทระซับในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่ชนทั้งหลายจึงสําคัญถ้อยคําของข้าพระองค์ว่าควรฟัง ไม่เหมือนคนไม่มีทรัพย์ฉะนั้นเมื่อข้าพระองค์มีทรัพย์ข้าพระองค์ก็ฉลาดในการแจกจ่ายและด้วยการที่ข้าพเจ้าเนี่ยบริบูรณ์ด้วยทั้งมีทั้งยศมีทั้งทรัพย์ใช่ไหมและก็ฉลาดในการส่งขห์บริวารเห็นไหมยศก็มีทรัพย์ก็มีอํานาจก็มี ข้าพระองค์ก็ฉลาดในการสงเคาะคนเมื่อฉลาดในการสงเคาะคนปฏิบัติต่อหมู่ชนได้ด้วยความชะนี้ชนานาญอย่างนี้ข้าพระองค์ก็ไปนั่งในใจก็ได้ฉะนั้นข้าพระองค์จะบอกอะไรต่างๆบุคคลเหล่านี้ก็เชื่อฟังน้อมที่จะปฏิบัติตามข้าพระองค์ก็สงเคาะท่านเหล่านี้โดยธรรมเมื่อให้วัตถุทานเมื่อกาววาจ้าอ่อนหวานเมื่อประพฤติประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้ เมื่อวางตนเหมาะสมเข้าไปเชื่อมประสานได้อย่างดีอย่างนี้แล้วแล้วก็สามารถที่จะเกือ้อกูลบุคคลเหล่านี้ให้ท่านเหล่านี้ฟังทำอว่างนั้นเดียวพุทธเจ้าก็จะบอกถูกแล้วถูกแล้วหัตถะนี่แลเป็นอุบายที่สงเคราะห์บริษัทใหญ่ดูก่อนหัตถะจริงอยู่ใครๆก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทใหญ่โตขนาดนี้ในอดีต ก, การก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังขาวัตุ4ประการนี้แหละ ใครๆก็ตามที่จะสงเคาะบริษัทแม้ในปัจจุบันก็ต้องสงเคราะห์ด้วยสังหาวัตถุ4ประการนี่แหละแม้บุคคลใดที่จะมาในอนาคตหรือจะไปเกิดในอนาคตจะสงเคาะบริษัทบริวารไปนั่งในใจของบริษัทบริวารได้ก็ต้องใช้หลักสังหาวัตถุ4ี่นี่แหละเป็นหลักในการสงเคาะกวางนั่นเถอะฉะนั้นไม่ว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าเธอเป็นผู้ชาญฉลาดในการสงเคาะ หรือในการปฏิบัติในสังขาวัตถุเป็นภาคปฏิบัติการอย่างนี้เพราะมีพรวิหารเป็นหลักใจไว้แล้วเนี่ยการส่งเคาะของเธอก็ชัดเจนแล้วเธอก็จะมีบริษัทบริวารที่ใหญ่และจะเ อ, อื้อบำเพ็ญประโยชน์ได้มากลําดับนั้นเนี่ยฮัทธกะอุบาสกชาวเมืองอรารวีเนี่ยอัน พ, พระพุทธเจ้าชี้แจงอย่างนี้ให้สมาทานอาถรรพและเลื่อนเรื่ในธรรมกัฐานแล้วลุกขึ้นถวายบังคมแล้วก็ทำพระทักษิณแล้วก็ไปทีนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างนี้ต่อมาภายหลังพระบระมาศ า, าสดาประทับนั่งที่เชตวันเมื่อจะทรงสถาปนาบาศกไว้ในตำแหน่งต่างๆก็ทรงสถาปนาหัตถะและว่าเก่าบาศกเนี่ยไว้ในตำแหน่งเอตัคขะเป็นผู้เลิศกว่าวบาศกทั้งหลายผู้สรงครอบบริษัทด้วยสังคา ว, วัตถุสีทีน่นี้สมัยหนึ่งพระเจ้าประทับณอัคร อัครเจดีในใกล้เมืองอรารวีเนี่ยพระเจ้าก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจําหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอรารวีว่าเป็นผู้ประกอบไปด้วยธรรมะเจประการธรรมะเจประการคืออะไรหนึ่งมีศีลเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิธิกรรมศีลเป็นผู้มีศีลสองมีหิริคือความละอายต่อบาป สามีโอตปะคือความเพลงกลัวตบาสีเป็นพระหูสูตรเป็นสุดตะมีสุดตวารียาสาวกโกรคือทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าและฉลาดและมีความเข้าใจในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า4มีจาคะเดี๋ยวต่อมามีจาระค่ะหกนะมีจาคะจารคะก็คือว่าสละวัตถุกิเลสก็สละได้เลย ไม่ใช่สละแต่ข้างนอกอย่างเดียวเห็นไหมให้สังเกตดูนะเวลาท่านหัตกาแล้วว่าเ่าบาศกเนี่ยเวลาจะให้เวลาจะให้จะแบนปันเนี่ยให้ให้ด้วยอะไรนในวาระที่เขาปกติก็ให้ด้วยเมตตาแปลว่าโทสะถูกทำลายได้เลยเนะ เ, ออเมื่อกี้ขาดไปข้อหนึ่งนะคือหนึ่งมีศรัทธามีศีลมีหลิโอตปะมีหลิมีโอตปะมีจาระแล้วก็มีปัญญานั้นะคุณสมบัติของหัตถะอรหวกะอุบาสกเนี่ยที่บอกว่าจาคะเนี่ยนะยกตัวอย่างนิดหนึ่งเราจะได้เห็นภาพเวลาท่านให้ทานด้วยเมตตากิเลส ท, ทั้งหลายในใจของท่านไม่ไม่พุกพานึ้นเพราะตอนนั้นเมตตามาอยู่ในใจ อโทสากคือความไม่โกรธมาอยู่ในใจเมตตามาอยู่ในใจเป็นตัวขับเคลื่อนในการให้ในการสละในการแบ่งปันเห็นไหมตัวเมตตามีกําลังแล้วก็ผลออากมาจากการให้ด้วยเมตตาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้จะบ่งบอกได้ว่าจาค้าของท่านเนี่ยเป็นจาค้าที่สละกิเลสคือเมตตาเกิดขึ้นได้หรือบางทีเนี่ยถ้าในสถานการณ์ที่ผิดปกติคนที่ประสบปัญหาชีวิตตกทุกข์ได้ยาก ท่านให้ด้วยกรุณาการให้ด้วยกรุณาเนี่ยในขณะนั้นน่ะกิเลสก็ไม่เกิดในใจความริษยาไอความจิตในกรณีทอมนัสก็ไม่เกิดและในขณะเดียวกันก็คือไม่คิดประทุษร้ายไม่คิดเบียดเบียนก็มีการให้ด้วยกรุณาหรือบางทีถ้าในสถานการณ์ที่ไปเจอคนที่ได้ดีมีสุขท่านก็ให้ด้วยมุทิตาพอ ย, ยินดี พอมิมุทิตาเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ทําลายความริษยาเป็นต้นไดยย้เงี้ยอันนี้บ่งบอกถึงว่าเนี่ยท่านใช้คุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจเป็นจาคาอกิเลตในใจไม่พกพานขึ้นมาเล ย, เยผักออกมาในลักษณะอย่างนี้ส่วนมีปัญญาอันนี้ชัดเลยท่านมีปัญญาในการคิดอ่านในการวิจัยแยกแยะฉะนั้นพรมมิหารธรรมเนี่ยนะถ้าเราดูอย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่า ในสถานการณ์ปกติท่านใช้เมตตาในสถานการณ์ผิดปกติขาลงก็ใช้กรุณาคือความสงสารในสถานการณ์ผิดปกติขาขึ้นเขาประสบได้ดีมีสุขมุทิตานี่เห็นไหมว่าเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยด้านจิตใจและด้านความรู้สึกส่วนถ้าในกรณีที่ท่านจะวางใจเป็นกลางในการที่จะรักษา ธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามทั้งหลายในอุเบกขาที่ท่านเด่นมากด้านปัญญาของท่านความรู้ความเข้าใจเนี่ยการวางใจเป็นกลางมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยในกรณีของการที่รู้และเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามความเป็นจริงอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าเนี่ยคันได้ตรัสพระดำํำรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่วิหารครั้งนั้นเน่ยเวลาเช้าเนี่ยภิกษุรูปหนึ่งถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของหัตกะโอลัพ อารกาอุบาศกเมืองอาราวีแล้วเป็นนั่งบนอาสนะที่ปูวไว้ลําดับนั้นน่ยหัตถกะอราวกะเมืองอาราวีเนี่ย เ, ย เ, ยเข้าไปหาภิกษุนั้นไหว้แล้วนั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งคั้นแล้วภิกษุได้เล่าเรื่องที่พระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยพยากรณ์ท่านว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะที่น่าอัศาจรรย์เจประการนะแล้วก็บอกว่าท่านหัตถกะอารกาอุบาศกพระบรมศาสดาบอกว่า ท่านหัตถกาศเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของบารัตนาไตรมีใจที่อาจหานกล้าวกันสองก็คือเป็นผู้มีศีลสามเป็นผู้มีความระอายต่อบาปสี่เป็นผู้มีความเกรงกลัวต่อบาปหาก็เป็นผู้มีสุตตะของภาริยะก็คือมีข้อมูลของคำสอนมากหกก็คือเป็นผู้มีจาคะสละนอกสละในกิเลสก็ถูกสละแล้วก็สามารถ ส่งเคราะห์คนได้ดีอย่างดีสุดท้ายก็คือผู้มีปัญญาก็คือมีธรรมะเจ็ประการนี้ว่างั้นเถอะน่าอัศจรรย์ว่างั้นเถอะประกอบด้วยธรรมเจประการนี้อยู่ตลอดเวลาหัตถกะอุบาสกเนี่ยชาวเมืองอรารวีก็ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญค้หัสไร่ไรผู้นุ่งขาวห่มขาวที่ไม่มีตําแหน่งที่พระเจ้ทาทรงพยากรณ์นี้หรือบอกว่าภิกษุกระดูก่อนบอกว่าอุบ อาวโสบอกไม่มีหัตถกะอุบาสกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีแล้วที่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าพิกษูนั้นเมื่อรับบาดเสร็จแล้วออกจากนิเวศของหัตถกะเมืองอาราวีแล้วก็ลุกไปภายหลังแล้วเนีเข้าไปฝ้าพุทธเจ้าไปทูลเรื่องนี้แล้วก็เล่าถึงเรื่องที่ตนได้กล่าวกับหัตถกะอุบาสกและ้อยคําคที่หัตถกะอุบาสกตอบพบระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษูทั้งหลายถูกแล้วกุลบุตรนั้นน่ยมีความปรารถนาน้อย ไม่ปรารถนาให้ใครๆหรือคนอื่นรู้คุณธรรมที่มีอยู่ในตนดูก่อนภิกษุถ้าอย่างนั้นเธอจงจําหัตถกะอุบาสกแห่งเมืองอรารวีไว้ว่าเป็นผู้ประกอบได้ธรรมะที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีนี้คือความเป็นผู้ไม่ปราศนาให้คนอื่นรู้อันนี้ยกตัวอย่างว่าท่านหัตถกะอุบาสกเนี่ยท่านเป็นคนมีท่านมีศรัทธาท่านมีศีลท่านมีความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปชัดเห็นไหม แล้วก็ท่านมีจาคะท่านเป็นพ่อหูสูตรท่านเป็นผู้มีปัญญาท่านมีคุณธรรมทั้ง7ประการนี้แต่ท่านเก็บคุณธรรมเหล่านี้ไว้ในใจไม่ได้เที่ยวไปประกาศให้คนอื่นรู้ว่าฉันเป็นคนมีศรัทธานะศรัทธาขึ้นก่อนนะฉันเป็นคนมีศรัทธาฉันเป็นคนมีศีลฉันเป็นคนมีความระอายต่อบาปฉันเป็นคนมีความเกรงกลัวต่อบาปเป็นคนมีสุตตะพหูสุตตะสั่งสมข้อมูลของพพุทธเจ้าได้มากมีจาคะแล้วก็มีปัญญา คุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ในตอนอยืนตลัดเวลาแต่ไม่เคยไปประกาศหรือไปอวดแก่คนอื่นว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วก็บอกว่าให้ภิกษุทั้งหลายทรงจำทรงจำว่าท่านผู้นี้มีคุณธรรมอย่างนี้ผู้ริจาบอกอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่างั้นถ้าอย่างนั้นเธอจงจำ หัตถกาวาสศกนี่ว่าเป็นผู้ประกอบได้ธรรมะที่น่าอาัศจรรย์แล้วก็เป็นคนไม่ปรารถนาจะบอกใครทีนี้หลังจากนั้นมีเรื่องต่อตรงนี้อีกอย่างว่าพออยู่ต่อมานี่นะเอาพูดในบ้านปลายชีวิตหัตถกะเอากล่าวว่าวาสศกพอสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดเป็นอะไรอะ่ะคนที่เป็นพระนาคาเนี่ยเวลาท่านตายเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านไปเกิดเป็นพรหมนะเรื่องนี้ในหัตถกาสูตร พสุตตันตปิฎกในอังคุตตะไรนิการติกานิบาตได้กล่าวถึงหัตถกะเทพบุตรไว้บอกว่าสิ้นชีวิตก่อนพระเจ้าและเบิมบุตเกิดในพรหมโลกในชั้นอวิหาและได้ชื่อว่าเป็นเทวบุตรผู้เป็นธรรมกะกถึกองค์หนึ่งธรรมกถึกก็คือเป็นผู้ที่กล่าวพระธรรมเนี่ยนะโดยเทพบุตรทั้งหลายก็มักจะมาฟังธรรมที่แสดงโดยหัตถกะหัตถกะมหาพรหมองค์นี้เสมอ คือสมัยหนึ่งเนะี่ยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตาวันอารามของท่านอนาถาพิณิกกาเศรษฐีนี่แหละใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นเนะี่ยพระปฐมยามล่วงไปหัตถกะเทพพระบดเนีย่ยมีรัศ ม, มีสว่างยิ่งนักทําเชตาวันให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าดูก่อนหัตถกาทำที่เป็นไปแก่ท่านผู้เป็นมนุษย์แต่ครั้งก่อนนั้นบัดนี้ธรรมะเหล่านั้นยังอยู่ในกระแสชีวิต ท, ท่านอยู่ไหม คือท่านตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยคุณธรรมเหล่านั้นเสื่อมไหมไม่ว่าจะเป็นศรัทธาศีลหิริโอตปะพะหูสุตตะจารค้าปัญญาธรรมะเจประการเหล่านี้ซึ่งเป็นคุณธรรมที่น่าสัจจร์เนี่ยฮัทตกะเทพบุตรก็ทูลว่าข้าพระเจ้าธรรมที่เป็นไปแก่ข้าพระองค์เมื่อยังเป็นมนุษย์ทั้งก่อนนั้นบัดนี้ก็ยังเป็นไปแก่ข้าพระองค์อยู่และธรรมที่ ทำที่ไม่เคยเป็นไปหมายความว่าทำที่ไม่เคยเกิดขึ้นกิเลสทั้งหลายอ่ะที่ไม่เคยเกิดขึ้นแกข้าพระองค์เมื่อมาเป็นแล้วก็ไม่เคยเป็นไปอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระผู้มีพระภาคเกลื่อนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีวาสกบสิกาพระราชามหมาหมัดหรือบุคคลทั้งหลายแม้ชั้นใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันว่างั้นเถอะก็เล่าให้ฟังบอกว่า เวลาข่าพระ อ, องค์เนี่ยนะเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ณที่ไหนก็มีภิกษุมีภิกษุณีมีอุบาศกมีอุบ า, าสิกามีพระราชามหมาหมัดมีบุคคลทั้งหลายเกลื่อนเกล่ น, ลนเต็มไปหมดเป็นบริษัทบริวารเนี่ยเต็ไมไปเลยเนี่ยในเชตวันหรือตามที่พุทธิยถาเสดไปแม้ชั้นใดข้าพระ อ, องค์เป็นมนุษย์มีบริวารมากยังไงพอไปเป็นเทวดาบริวารก็มากอย่างนั้นบริวารเยอะจริงๆ คือต้องส่งเคราะห์แม้ไปเป็นเทวดาแม้ไปเป็นเทวดานะก็ไปเป็นมีบริษัทบริวารเกลื่อนกล่นมากว่างั้นเถอะทีนี้ประการต่อมาก็ว่า และอีกอย่างหนึงว่าเทพบุตรต่า ง, างๆเทพธิดาต่างๆเหล่านั้นต่างมากันจากที่ไกลก็ได้ตั้งใจว่าจัะมาฟังธรรมในสํานักของหัตถะเทพบุตรว่างั้นเถอะแล้วท่านก็เล่าเรื่องในใจให้ฟังไอเรื่องในใจนี่สำคัญมากเรื่องในใจคือบอกว่าข้าพระ อ, องค์ยังไม่ทันอิ่มยังไม่ทันเบื่อเลยว่างั้นเถอะยังไม่ทันอิ่มยังไม่ทันเบื่อก็คือว่า ความที่บอกว่าท่านอุปถากประสงค์และการฟังพระสัต ธ, ธรรมหัตถะอุบาสกยังศึกษาที่ศีลอยู่ยินดีแล้วในการฟังพระสัตธรรมยังไม่อิ่มในธรรมะทั้ง3าประการนะ่ะก็ตายซะก่อนท่านบอกบอกว่าตอนที่ท่านเป็นมนุษย์เนี่ยท่านไม่อิ่มในการอุปถาคประสงค์ไม่อิ่มในการฟังพระธรรมไม่อิ่มในการจะศึกษาที่ศีลเป็นต้นเหล่านี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ท่านไม่อิ่มในการที่จะอุปถากพระภิกษุ2งอุปถากคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อิ่มในการฟังธรรมและไม่อิ่มในการที่จะฝึกอธิศีณาธิจิตและอธิปัญญาท่านก็สิ้นชีวิตเสียก่อนแล้วก็ไปสู่พรหมโลกในชั้นอวิหารและในขณะเดียวกันเมื่อท่านไปอยู่ในที่นั้นน่ะท่านก็ยังไม่อิ่มนะท่านไม่อิ่มในการที่จะอุปถากพระสงฆ์ไม่อิ่มในการจะอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อิ่มในการฟังพระสัตธรรมไม่อิ่มในการที่จะฝึกอธิสีณาธิจิต และในไม่อิ่มในการที่จะประพฤติทำคือการสงคระห บ, บุคคลทั้งหลายด้วยสังขาวัตถุอันนี้ต้องการชี้โยมทั้งหลายได้เห็นว่าชี้เห็นว่าในกรณีที่บุคคลที่เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่ประพฤติในสังขาวัตถุได้ดีที่สุดก็คือในทานปิยวาจา อธเจยาสมาณัตาเนี่ยก็คือหัตถกะและว่ากาอุบาสกทีนี้เอาและทีนี้เรามาสู่ภาคของการที่เราจะเชื่อมโยงในการประพฤติปฏิบัติวันนี้เรามีเวลาเหลืออีกประมาณ30นาที30เกินนาทีเล็กน้อย น, นี่นะทีนี้เพื่อให้เห็นคุณประโยชน์ความสัมพันธ์แห่งหลักธรรมะ ของพรหมวิหารที่เด่นชัดขึ้นนะกนะ็ะคือเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยความปรารถนาดีคือคิดจะช่วยเหลือค้ขนขวายเพื่อประโยชน์สุขโดยเมตตาด้วยกรุณาและด้วยมุทิตาเนี่ยส่วนตัวอุเบกขาเนี่ยมีกายวาจาใจสงบไม่แสดงออกให้สังเกต ด, ดูนะ เวลาเราศึกษาในเรื่องของในเรื่องของสังขาวัตถุเราจะเห็นชัดตัวที่แสดงออกมาทางด้านของเมตตาใช่ไหมการการที่บอกให้ด้วยเมตตาให้ด้วยกรุณาให้ด้วยมุทิตาเราก็เห็นนี่คือเมตตาการุณามุทิตาเป็นการให้พูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุณาพูดด้วยมุทิตา แล้วก็ประพฤติประโยชน์ด้วยเมตตาด้วยกรุณาและมุทิตาเป็น9้าใช่ไหมส่วนในด้านของอุเบกขาเนี่ยมีกายวาจาใจสงบไม่แสดงออกโดยยึดหลักความยุติธรรมนั้นการแบ่งพรหมิหารเป็น2ฝ่ายก่อน เ, อเราดูเมตตาการุณามุทิตาเนี่ยเป็นด้านความรู้สึกเป็นด้านความรู้สึกส่วนอุเบกขาเนี่ยไปในด้านความรู้ถ้าเรามองในทั้งด้านทั้งสองฝ่ายเนี่ยเมตตาความรักความปรารถนาดี มีเมตียต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุขใช่ไส่วนกรุณาความสงสารคืออยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ไยที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ความเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวงและมุติตาแหละความเบิกบานพอยินดีเห็นผู้อื่นได้ดีมีสุขมีใจแช่มชื่นเบิกบานเมื่อเห็นเขาทำดีงดงามประสบความสาเร็จ ทั้งั้นเลยก็พรอยยินดีบันเทิงใจด้วยพร้อมที่จะขวนขวายในการที่จะช่วยเหลือในสถานการณ์ที่1คนใดคนหนึ่งที่เขามีความเป็นอยู่ปกติตามธรรมดาของเขาไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจใดๆแต่ไม่ได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเป็นวิเศษในสถานการณ์นั้นเราก็ใช้เมตตาความรักความปรารถนาดีความเป็ น, ปนมิตรความเป็นเพื่อนในเมตตาออกมาแล้วในสถานการณ์ที่2 เขาเรียกว่าผิดปกตินี่แหละเมื่อคนใดคนหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุปสรรคหรือปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เขามีฐานะความเป็นอยู่ต่ําลงหรือเจอปัญหาชีวิตในในกรณีเช่นนี้เราก็ใช้กรุณาคือหวั่นไหวเมื่อเห็นคนอื่นได้รับความเดือดร้อนใจหวั่นไหวนิ่งดูดายไม่ได้ต้องการที่จะช่วยเหลือปลดเปลื้องความเดือดร้อนเหล่านั้นทําให้เขามีฐานะเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประสบ สิ่งที่ดีๆขึ้นอย่างนี้ในสถานะนั้นก็เรียกผิดปกตินะใช้กรุนะในสถ า, นานที่สองในสถานะที่สามสถานการณ์ที่สามเมื่อคนใดคนหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตด้านใดด้านหนึ่งนะไม่ว่าได้เลื่อนชั้นได้เลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จดีขึ้นสูงขึ้นเราในสถานการณ์นั้นก็ใช้ข้อมุทิตาก็คือพอยเย็นดี สดุบความว่าทั้งสามข้อนั้นเป็นด้านความสัมพันธ์อันดีงามเหมาะสมเป็นหลักปฏิบัติอันสมควรที่มนุษย์กับมนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันคนกับคนปฏิบัติต่อกันทีนี้คนต่อคนที่ปฏิบัติต่อกันและกันเนี่ยกล่าวสั้นๆก็คือว่าเป็นไปตามว่าในยามปกติใช้เมตตาตกตามขาลงใช้กรุณาเมื่อเขาได้ดีมีสุขก็ใช้มุติตาต่อกัน ทีนี้กรณีอย่างนี้ว่าเมื่อประชาชนในสังคมหรือบุคคลทั่วๆไปหรือในกลุ่มเราที่ฟังถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้สภาพสิ่งแวดล้อมหรือสังคมมันก็น่าอยู่น่าเป็นน่าอาศัยมันก็รักใครสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีสังคมที่มีเมตตามีกุณามีมุทิตา ม, มากจะเป็นสังคมที่มีน้าใจมากเป็นสังคมที่มีน้าใจมาก คนมีน้ำใจช่วยเหลือกันอย่างดีซึ่งเป็นข้อดีนะทำให้จิตใจคนมีความอบอุ่นชุ่มชําร่มเย็นและมีความสุขแล้วก็เบิกบานสบายความจริงประชาชนอาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันก็คือเป็นเพื่อนมนุษ ย, นย์ที่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้สังคมเดียวกันอย่างเงี้ยก็อยู่ด้วยกันถ้าเรามองพระมิหารพระมิหารในเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยข้อเนี่ย ถามว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วพอไหมความเป็นอยู่ในสังคม่าเอา่านายามปกติก็เมตตาตากันในยามที่ผิดปกติขาลงก็กรุณากันในยามที่ขาขึ้นก็ประสบดีไ ด, ด, ด, ด้มีสุขเนี่ยเราก็ใช้มุทิตาต่อกันถ้าสภาพสังคมก็ดีในบ้านก็ดีในมูลชุมชนระดับประเทศชาติหรือในโลกเนี่ยใช้แค่สามข้อมันก็น่าจะดีนะ ม, มันแปลว่า แต่ว่าถ้าพิจารณาให้แยบลงไปอีกแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เท่านั้นทีนี้มนุษย์มาอยู่รวมกันขึ้นมามันจะต้องมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการด้วยใช่ไหมเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ด้วยระเบียบด้วยกติกาด้วยที่มนุษย์หรือสังคมในนั้นนะ่ะบัญญัติขึ้นเขาเรียกกฎสมมติฉะนั้นมันไม่ได้อยู่กันเพียงแค่ เมื่อเป็นหมู่เป็นคณะเป็นชุมชนเป็นสังคมขึ้นมาอย่างในบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่กันแค่คนเดียวแล้วมาอยู่สองคนสาคนขึ้นไปมนุษย์ก็ต้องตั้งกติการ่วมกันขึ้นมาฉะนั้นเมื่อตั้งกติกากฎเกณฑ์ต่างๆกันขึ้นมาก็มีคนละเมิดกฎเกณฑ์กติกากันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไปแค่อุย้ยเมตตาต่อกันกรุณาต่อกันมุทิตาต่อกันยึดเสียหายเลยทีนี้ฉะนั้นในข้อสุดท้ายอุเบกขาเนี่ยเนี่ย จึงมีความสำคัญที่ว่าเป็นการรักษาธรรมะเวขานี่แหละมีลักษณะคอยมองดูเพื่อไม่เข้าไปก้าวกายแทรกแซงกฎเกณฑ์กฎหมาย ก, กฎกติกาหรือระเบียบสังคมที่เราบัญญัติร่วมกันขึ้นมาไว้เพื่อความสุขสงบของสังคมส่วนรวมจึงมีสภาพตรงนี้แหละความมีใจเป็นกลางคือมองตามความเป็นจริงโดยวางจิตที่ราบเรียบสม่เสมอมั่นคงเที่ยงตรงดุตาโชเนี่ย โตยใจช่างเนี่ยมองเห็นการที่บุคคลได้รับผลดีได้รับผลชั่วสมควรแก่เหตุที่ตนเองประกอบหรือตนเองทำไว้พร้อมที่จะวินิจฉัยวางตนและปฏิบัติไปตามหลักการเหตุผลและความเที่ยงธรรมก็คือปล่อยหรือเปิดโอกาสให้มีการปฏิบัติไปตามธรรมะตามหลักการเนี่ยกรณีอย่างเนี้หรือตามกฎเกณฑ์กติกาใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทําตามนั้น หลักเกณฑ์กฎเกณฑ์กติกาว่าอย่างไรก็ทําตามนั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องคอยมองดูวิจัยมีอะไรที่ต้องทําคอยวิจัยด้วยยานด้วยปัญญาต่างๆเป็นต้นเหล่านี้อย่างนี้ก็คือมองให้เป็นไปตามหลักของความชอบธรรมฉะนั้นก็คือการปฏิบัติที่เหมาะสมถ้ามองในลักษณะเมตตากรุณาเมตตาใช้ด้านความรู้สึกมากคือรู้สึกเป็นมิตรรู้สึกว่ามีใจสงสารรู้สึกว่าพอยินดี ที่จะเกื้อนหนุนฉะนั้นจึงใช้ในด้านความรู้สึกมากเมตตากรุณามุ้ทีตาส่วนอุเบกขาเนี่ยเป็นไปกับปัญญาเป็นไปกับความรู้ทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าในสังคมเนี่ยเราจะต้องพัฒนาทั้งความรู้สึกทั้งด้านความรู้ถามว่าถ้าความรู้สึกโกรธเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกเมตตาไปข่มไประงับ ถ้ามีเรามีความรู้สึกคิดเบียดเบียนคนอื่นก็ใช้ความรู้สึกกรุณาเนี่ยไปข่มไประงับถ้าเรามีความรู้สึกคิดลิษยาคนอื่นก็ใช้ความรู้สึกระดับมุทิตาพรอยินดีเนี่ยไประงับแต่ถ้าเราจะรักษากฎเกณฑ์กติการักษาธร ร, รมะให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายเนี่ยใช้ความรู้สึกไม่ได้ต้องใช้ความรู้ต้องใช้ปัญญาต้องวางใจเป็นกลางจริงๆอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นสภาพสังคมเนี่ยทุกวันนี้ให้สังเกตดูนะว่าเราจะอยู่กันแค่ความรู้สึกเมตตากรุณามุริตามไม่พอถ้าต้องการให้สภาพสังคมที่ไม่เอียงกระเทเล่ให้เป็นไปโดยกฎเกณฑ์ที่ดีงามทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องมีความรู้มาเชื่อมประสานมาดึงเข้าไว้เพื่อให้สังคมนั้นไม่เอียงไปทางด้านรู้สึกหรือว่าสุดโต่งไปทางใดจะเอาแต่ความรู้จะเอาแต่กฎเกณฑ์กติกายอย่างเดียวนี่แหละเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ฉะนั้นในการพัฒนาด้านความรู้สึกหรือด้วยอารมณ์เนี่ยก็มุ่งให้เมตตากรุณามุทิตาซึ่งเป็นฝ่ายความรู้สึกที่ดีแต่ความรู้สึกนี้จะต้องถูกคุมด้วยอะไรถึงจะดีต้องถูกคุมด้วยปัญญาถ้าให้ความรู้สึกเมตตากรุณามุทิต า, ตาไปอย่างเดียวนะเข้าเอียงฉะนั้นต้องใช้ปัญญามาคอยคุมไว้มาดุลไว้เพื่อไม่ให้ความรู้สึกนั้นน่ะมันมันหลุดไปอายกตัวอย่างเช่นนะ บางทีจะเมตตามไม่มีปัญญามาคอยเกลี่ย ม, มาคอยกําจัดมาคอยคัดมาคอยวิจัยแยกแยะเดี๋ยว ก, ก็กลายเป็นตัณหารักแบบยึดติดห่วงแห็นกรุณาเหมือนกันถ้าไม่คอยมีปัญญามาวิจัยแยกแยะไปเบียดเสร็จนะเขาก็จะกลายเป็นโทมนต์กรุณาด้วยโทมานต์ ด, ด้วยมุทิตาเหมือนกันพอยยินดีนะเข้านะเข้ากลายเป็นสนุกสนานล่าเลิงเป็นสมมนั์ไปนั้นปัญญาจริงต้องมาคอยดึงว่าความรู้สึกเนี่ย ต้องใช้ให้ทันสถานการณนะ์ในด้านเมตตากรุณาและมุทิตาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละจึงต้องใช้ปัญญามิฉะนั้นก็จะเป็นอารมณ์หรือด้านความรู้สึกอาจจะเลยขอบเขตไม่ถูกต้องเมื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยช่วยคนที่มีความเดือดร้อนไม่ได้เดี๋ยวจิตใจเดือดร้อนกระวนกระวายขึ้นมาแต่พอปัญญาด้านความรู้มาปุ๊บก็จะช่วยปรับความสนุนทรให้จิตใจสงบอย่างนี้เป็นต้น เมื่อปัญญาเนี่ยเมื่อปัญญาด้านความรู้พัฒนาก็จะพัฒนาด้านความรู้สึกให้เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปด้านความรู้สึกเนี่ยมีทั้งฝ่ายกุศลเช่นปราถนาดีใครช่วยเหลือทั้งฝ่ายอกุศลด้วยนะเช่นความรู้สึกโกรธความรู้สึกคิดเบียดเบียนความรู้สึกคิดลิสยาความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกเฉยๆยเนี่ยนนั้นตรงนี้ต้องระวังนะความรู้สึกไม่ดีเป็นอกุศล ความรู้สึกดีเป็นกุศลแต่จะอยู่แค่ความรู้สึกอย่างเดียวไม่พอต้องอยู่ด้วยมีความรู้มามาดุล ม, มาปรับมาแยกแยะมาวิจัยอย่างนี้เป็นต้นนั้นถึงจะถูกต้องดีงามนั้นความรู้นี่แหละมาเทียบเคียงมาปรับความรู้สึกให้พอดีการที่ปัญญาความรู้นั้นมาปรับความรู้สึกให้ได้พอดีนั้นวางตัวถูกต้องเหมาะสมเป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าอุเบกขาถ้าทาได้อย่างนี้ เป็นอันว่าสังคมที่ดำรงอยู่ได้อย่างมีความยุติธรรมประชาชนในสังคมบุคคลในสังคมนั้นก็ต้องมีอุเบกขาด้วยดังนั้นอุเบกขาเป็นตัวคุมท้ายแล้วก็คุมทั้งหมดสําหรับรักษาโลกให้อยู่ในธรรมะอยู่ในด้านความถูกต้องดีงามรักษาหลักการของสังคมทําให้สังคมที่เป็นไปโดยธรรมะให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามนี้เป็นต้นดังนี้ ฉะนั้นการที่เราจะสามารถหลักการกฎเกณฑ์กติกาให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยหลักการและกฎเกณฑ์ธรรมชาติมนุษย์ก็ต้องมีบัญญัติเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องมีความชาญฉลาดในการที่จะคุมกฎเกณฑ์นั้นเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นสรุปว่าเมตตาการุณามุติตาเนรักษาใครรักษาคนเชื่อมโยงกับคนอุเบกขารักษาอะไร รักษาธรรมะก็คือต้องไม่ทำให้เสียหลักการเสียความเป็นธรรมะนั้นถ้าจะเสียหลักการเสียความเป็นธรรมะต้องหยุดกฎต้องเป็นกฎการวางเฉยต่อคนนั้นเพื่ออะไรเพื่อไม่ละเมิดเพื่อไม่ก้าว่ายแทรกแซงธรรมะธรรมะก็จะออกผลอย่างไรก็ไปตามธรรมนั้นช่วยเฉพาะขอบเขต ท, ที่ไม่ละเมิดธรรมไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ไม่ละเมิดกิกาเพราะฉะนั้นอุเบกขาจึงเป็น การเป็นตัวคุมเป็นตัวรักษาดุลไว้ให้การช่วยเหลือไม่เลยขอบเขตจนเสียธรรมะอย่างนี้เป็นต้นไม่ส่งผลกระทบเสียหายนะฉะนั้นเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยถ้าเราย้ายไปที่เบคขาเวเบกขาก็เพื่อให้เขารับผิดชอบฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าต้องการชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจให้ชัดเน้นตัว การประพฤติปฏิบัติเอาละตอนนี้จะสรุปในเวลาที่เหลือในการที่จะสรุปให้เราท่านได้หลายได้เกิดความเข้าใจพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามก ต, ตมกิกาทั้งหลายให้ถูกต้องดีงามดังได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยที่นี่ว่าในการเป็นอยู่ การใช้พรหมวิหารสังฆาวัตถุเดี๋ยวเข้าไปหาสไลด์ที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวในเรื่องของสัมมาสังกประสู่เนคขมมะสังกประอัพยาปาทะาอาวิิงสาเข้าสู่พรหมวิหารเมตตากรุณาุทตตา อ, อุเบกขาแล้วก็เชื่อมสู่ความเป็น สมานัตะตาสู่ความเป็นศีลเน่เว้นจากปานาติบาทเว้นจากอธินนาทานเว้นจากกาเมสุมิชฌาจาร์เป็นต้นเหล่านี้นะทีนี้ เ, เราดูตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอีกสไลด์หนึ่งที่เอาที่ทาทีหลัง เ, เออเนี่ยนียสไลด์ตัวนี้ดูสัมมาสังกัปปะยอมญาติยม ด, ด, ดูตามไปด้วยเนาะ เออตรงนี้จะได้ให้เราได้เห็นภาพว่าตัวสัมมาสังกปะเนี่ยจิตที่คิดออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากความเบียดเบียนทั้งหลายนีเป็นกลุ่มปัญญาศิกขาอยู่ในหนึ่งในองค์มรรคสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องจไม่เห็นถ้าระดับพื้นฐานเบื้องต้นก็เรียกกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรม ประความฉลาดในเรื่องเหตุในเรื่องผลในเรื่องกรรมในเรื่องผลของกรรมส่วนสัมมาสังกปร า, าความดําเบลที่ถูกต้องดําริลีออกจากกรรมการดําริลีออกจากกรรมทั้งหลายก็คือการไม่ติดข้องในสีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์การวางใจเป็นกลางเชื่อมลงสู่อุเบกขาปฏิบัติออกมาสู่ความเป็นสมานาตต า, ตาทีนี้ประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คืออภิยา บ, บารก็การคิดที่ไม่โกรธออกจากความโกรธเข้าสู่เมตตาเนาะ ความรักความปรารถนาดีเอื้อถอนแล้วก็มุทิตาพอเย็นดีส่วนเอาหญิงสาสังกปะก็ความคิดไม่เบียดเบียนทั้งหลายก็เป็นกรุณาด้วยเป็นมุทิตาด้วยเนาะสรุปก็คือเมตตากรุณามุทิตาและเบขาเนี่ยพรหมวิหารสี่ทั้งหลายเนี่ยถามว่าการที่ใจของเราจะเป็นใจที่ดีได้ตั้งมั่นในพรหมวิหารธรรมได้ก็ต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าต้องมีใจรัก ความเป็นผู้มีใจรักที่มาจากฉันทะเพราะฉันทะเป็นมูลของสัพพธรรมะทั้งปวงฉันต้องมีใจรักว่าเมตตาดีจริงๆแต่การที่จะรู้ว่าเมตตาดีกรุณาดีมุทิตาเวขาดียังไงพระวิหารดีอย่างไรก็มาจากการมีปัญญาความรู้ความเข้าใจจากการฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังจนเกิดสุตตะที่เรียกได้พระโห พระหุสุดตาก็คือสั่งสมข้อมูลของภาริยะได้อย่างมากจนกลายเป็นสุดตามยปัญญานะมีปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังจนเกิดความเข้าใจอย่างดีมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่ากระแสะชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีพรหมวิหารมาประชุมมากำกับไว้ที่ใจไม่มีธรรมะอันประเสริฐมาประชุมไว้ในใจเนี่ยเราจะเสียหายและแกนกลางหลักการของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีคุณธรรมเหล่านี้พรหมวิหารธรรมประชุมไว้ในใจเนี่ยเสียหายมากเสียหายอย่างไร เสียหายก็คือว่าการปฏิบัติที่จะประพฤติออกมาเนี่ยประพฤติออกมาทางกายทางวาจาและอาชีพทั้งหลายที่ออกมาสู่การให้การพูดการแบ่งปันทั้งหลายเหล่านี้การกระทําประโยชน์ทั้งหลายมันจะกลายเป็นการมีเงื่อนไขด้วยตัณหาด้วยมานะด้วยทิฏฐินั่นมันจะเสียหลักการเลยให้สังเกตด้นะว่าถ้าหากพรหมวิหารไม่เป็นธรรมะประชมไว้ ธรรมะประจําใจอันประเสริฐธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจไว้กํากับพฤติกรรมเนี่ยถ้าไม่มีพระมิหารไว้กํากับพฤติกรรมเนี่ยการที่เราจะให้ใครมันก็จะมีผลประโยชน์แอบแฝงถ้าให้แล้วได้แน่ไห น, า น, หนา้าได้ตาได้เกียรติยศชื่อเสียงให้แล้วได้ผลประโยชน์ตอบแทนมันถึงให้ผู้จาดีกับใครแล้วได้หน้าได้ตาได้ผลประโยชน์แอบแฝงจึงพูดทําประโยชน์กับใครแล้วได้หน้าได้ตาได้ผลประโยชน์แอบแฝงแล้จึงถาอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะกลายเป็นการ ผักออกมาจากการกระทําที่มีผลประโยชน์แอบแฝงที่มีตันหามานา้ทิฐิเข้ามาเข้ามากุ้มรุมในการทำมันก็กลายเป็นการไม่ประพฤติธรรมเนี่ยหลักการที่ไม่ประพฤติธรรมมันยังกลายเป็นเมลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไม่ปฏิบัติกันได้จริงนี่เป็นความเสียหายอย่างมากฉะนั้นนั่นความที่มีใจรักว่าถ้าเราไม่สามารถประชุมพรหมิหารธรรมะประจําใจอันประเสริฐ ธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจเพื่อกำกับพฤติกรรมเพื่อจะเป็นไปด้วยความพฤติกรรมของเราทางกายทางวาจาและอาชีพจะได้เป็นไปด้วยความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดและเราจะได้ปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์กับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยดีด้วยงดงามได้ถ้าไม่มีธรรมะอันประเสริฐคือพรหมวิหารสี่ประชุมไว้ในใจเราเสียหายแน่นอนทีน่นี้การจะให้พรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นเกิดขึ้นมาได้มาจากอะไรมาจากสังกปะดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว มีความมีจิตที่คิดออกจากกามคิดออกจากพยาบาทคิดออกจากเบียดเบียนเนี่ยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนไอตัวสัมมาสังกปร์เนี่ยก็ต้องมีตัวโยนิโสมนัิการเป็นปัจจัยเกื้อหนุนและโยนิโสมนัิการต้องเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่ปัญญาด้วยคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นด้วยความเห็นที่ถูกต้องเป็นกรรมสักกาตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือการมีใจรักนี่แหละว่าชันท่านี่แหละ มีใจรักที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้นมีใจรักที่จะทําให้กรุณาเกิดขึ้นมีใจรักที่ทําให้มุติตามีใจรักที่จะทําให้อุเบกขาเกิดขึ้นพอมีใจรักก็ภาคเพียนพรรมทำและจิตจดจ่อแล้วก็มีปัญญาไปตรวจตาสอบสวนที่จะทําให้เมตตากรุณามุติตาเกิดได้จริงทีนี้พอเมตตากรุณามุติตาเกิดได้จริงแล้วนี่แหละนี่เป็นภาคธรรมะที่อยู่ในใจธรรมะที่อยู่ในใจเกิดได้จริงแล้ว ต่อมาเมื่อพรหมวิหารเกิดได้ในใจจริงแล้วแต่นี้ภาคที่จะเชื่อมต่อไปก็เรียกว่าภาคปฏิบัติการที่จะออกมาเป็นสังขาวัตุก็คือทานปี่ยาวาจาอัตจาริยาสังเกตดูนะเมตตาก็แบ่งเป็นให้ด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาประพฤติประโยชน์ด้วยเมตตาการุณาก็ให้ด้วยกรุณาพูดด้วยกรุณาแล้วก็ประพฤติประโยชน์ด้วยกรุณา มุทิตาพออานี้ก็ให้ด้วยมุทิตาพูดด้ยมุทิตาแล้วประพฤติประโยชน์ด้วยมุทิตาอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยพราะมิหารสามข้อเนี่ยที่ไปยึดยองกับสังฆวัตถุสามเนี่ยอันนี้ระหว่างคนต่อคนนะมนุษย์ต่อมนุษย์ที่พึงปฏิบัติต่อกันทีนี้ส่วนนมองถึงในด้านของอุเบกขาที่ยึดยองมาจากเนคขมะเนี่ย ยึดโยงมาจากเนกขมมะเพราะอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวนิสรณะของราคะและอุเบกขานี่แหละที่เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการปฏิบัติที่เป็นสมานตตาสมานตตาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่มีอุเบกขาอยู่เบื้องหลังดังได้กล่าวไว้แล้วว่าตัวสมานตตาที่เราคุยกันมาหรือพูดกันมาค่อนข้างมาก ที่เป็นตัวสังขาวัตถุข้อสุดท้ายให้สังเกตดูนะว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเมตตากรุณามวิจาอุเบกขาทานปิยาวาจาอัตจริยาแล้วมาลงสมานตตาข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดนั้นอุเบกขาก็สําคัญที่สุดในชุดของพรหมวิหารสมานตตาก็สําคัญที่สุดในชุดของสังขาวัตถุเนี่ยเราจะเห็นเลยนะเนี่ย ในด้านของเมตตากรุณาเมตตาเนี่ยเป็นด้านความรู้สึกอุเบกขาด้านของความรู้ในด้านของทานปิยวจาราธจริยาเนี่ยในด้านของการที่การให้การพูดจาอ่อนหวานการประพฤติประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็ขับเน้นที่ด้านความรู้สึกที่มาจากเมตตากรุณาเมตตาสมานัตตานี่แหละที่เรียกว่าเป็นตัวที่เข้าไปเชื่อมประสาน เป็นตัวเข้าไปเชื่อมประสานในกรณีที่บอกว่าเสมอไอ้เสมอเนี่ยไอ้ตัวสมานัตตาที่เรียกว่าเสมอเสมอในสุขเสมอในทุกข์ทําตนเองเสมอต้นเสมอปลายเสมอกับสมานก็คือการเชื่อมประสานใช่ไหมแต่เสมอภาษาบาลีมาเป็นสมานภาษาไทยก็แปลว่าเชื่อมประสาน เสมอภาษาไทยเราปัจจุบันมันเป็นการเสมอเท่ากันดังที่ได้กล่าวแล้วคือได้อะไรก็ได้เท่ากันได้เท่ากันได้เงินเท่ากันได้อะไรเท่ากันเขามีบ้านเราชั้นต้องมีบ้านเขามีรถต้องมีรถคนนั้นได้ต้องได้แล้วก็เลยเสมอแบบแก่งแย่งกันแล้วก็แปลกแยกกันแล้วก็แข่งขันกันก็อรัดเอาเปรียบกันอันนี้เสมอแบบนี้ไม่ใช่เสมอของพระเจ้า แต่สมานาตาตาของพระรัชญาเป็นการเสมอก็คือว่ามีเสมอในสุขเสมอในทุกเช่นว่าเมื่อคนมีสมานาตาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้แค่กล่าววาจาอ่อนหวานแค่การประพฤติประโยชน์เอาตอนเองเข้าไปครกเลยเอาตอนเองเข้าไปเชื่อมแล้วเชื่อมเป็นด้วยนะคำว่าสมานาตาเนี่ยต้องระวังไว้นะการที่เป็นบางคนไปเข้าใจสมานาตาผิดว่า เข้าเมืองตาเหลียวเหลวตาตามอะต้องระวังข้อนี้ด้วยเข้าเมืองตาเหลียวเหลวตาตามแปลว่าเขากินเหล้าเราก็ต้องไปกินเหล้ากับเขาเขาติดยาเสพติดก็ต้องไปกินยาเสพติดกับเขาเขาโกงก็ต้องไปโกงกับเขาไม่ใช่นี่ต้องระวังไว้นะมันเสียหลักการเสียธรรมะนั้นสมานนาตตานี่มีเสียหลักการไม่เสียธรรมะพอยึดเยื่มาจากอะไรมีตัวอุเบกขาที่มีปัญญาเป็นตัวคอยจ้องดูว่าถ้าเสียหลักการเสียธรรมะแล้วไม่ใช่ ฉะนั้นบางคนบอกว่าเออเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เข้าเมืองตาหลิวลิวตาตามก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการฉลาดเหมือนสีถนนไช่ไอ้ยัยงเงาหาช่องรอดไปให้ได้เอาตัวรอดให้ได้แล้วก็ดูเหมือนโอ้โหยคล้ายๆว่าเขากินเหล้าก็ไปกินด้วย <c oughs> วเข า, า <c oughs> ติดยาเสพติดก็ไปติดยา <c oughs> เขาปล้นก็ปล้นด้วยเขาฆ่าก็ฆ่าด้วยเขาประพฤติผิดในกามก็าประพฤติผิดกามด้วยจะได้วางตัวให้เหมาะสมแก่เขาเชื่อมเข้ากับเขาได้อย่างนี้ไม่ใช่ ดังนั้นต้องระวังเรื่องของสมานนัตตาผิดพลาดเพราะสมานัตตาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมประสานจากการที่มีอุเบกขาพรวิหารเป็นตัวยึดโยงกันไว้แล้อยู่เบื้องหลังคอยกํากับคอยดุลยภาพไว้ถ้าผิดธรรมผิดวินยัยหรือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลไม่ได้จะไปทําชั่วกับเขาก็เรียกว่าโอ้ยวางตนมไม่เหมาะสม แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในวันนี้ที่จริงเนี่ยว่าจะเชื่อมลงสู่ทิศ ท, ทั้ง6ยังเชื่อมไม่ถึงเ อ, อยังเชื่อมไม่ถึงเออตรงนี้ต้องต้องการเชื่อเห็นว่าตัวสมานัตตัวการวางตนที่เหมาะสมในกรณีอย่างการที่จะประพฤติออกมาเป็นหลักของสังขาวัตถุ เมื่อมีสังฆาวัตถุสีประพฤติปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องดีงามมีเมตตาการุณามุรุษตาและมีเวขาเป็นกำกับอยู่ในใจและมีความฌานฉลาดมีสมาธิสั่สมากาปะเนี่ยเป็นตัวความรู้ความเข้าใจเป็นตัวคอยกำกับที่แนบะ เ, เ, เ, เสร็จปุ๊บแล้วผักออกมาเป็นการรักษาศีลฉะนั้นการงดเว้นจากการฆ่า เจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าทั้งหลายเจตนาที่งดเว้นจากการลากักเจตนาที่งดเว้นจากการประพฤติผิดในการเจตนาที่งดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจอือเจตนาที่งดเว้นจากการดื่มของมืนเมาเป็นต้นเหล่านี้ถามว่าตัวกุศลศีลที่เกิดขึ้นมาได้และถูกต้องดีงามทั้งหลายเหล่านี้มีตัวพรหมวิหารนั่นเองเป็นตัวควบคุมไว้ในใจมีตัวสัมมาสังกัปปะ เป็นต้นเหล่านี้เป็นความคิดที่ถูกทางถูกวิธีทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นเนกขมะอพยาปาทะและเอาวิงสาเป็นตัวกํากับมีความรู้ความเข้าใจนะจึงจะไม่เป็นศีลพ ร, พระตปรามาฉะนั้นถ้าหากว่าประพฤติศีลแบบตามๆกันมาแบบไม่รู้ไม่เข้าใจได้แต่ศีลตามรูปแบบกฎเกณฑ์กติกาที่ตั้งไว้ตามรูปแบบตามวัฒนธรรมตามประเพณีไม่รู้ไม่เข้าใจทําแบบมึนๆงง ใจก็ไม่ได้เป็นไปกับเมตตากรุณาพุทิตาวเบิกขาจริงและก็ไม่มีไม่มีความรู้ความเข้าใจในการกระทําจริงมันกลายเป็นศีลผิดทางไปเลยใช่ไหมว่าพรหมิหารถ้าตั้งไว้ไม่ถูกถ้าไม่มีพรหมิหารจริงเนี่ยออกมาก็กลายเป็นการประพฤติศีลที่ผิดกลายเป็นพฤติศีลที่ผิดทีนี้ไอตัวเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าที่จะเป็นสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะได้อย่างแท้จริงเนี่ยใช่ไหม ไอ Programs, ruit, horses, ้ตัวเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการรักงดเว้นจากการปดปิดในการทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นไอ้ตัวที่เป็นละได้จริงๆก็เป็นตัวองค์มรตถ้าเราชี้ไปที่ตัวองมรตถก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาก็คือการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสสัมมากรรมตตาการกระทําที่เว้นจากกายทศจริตสมสัมมาอชีวะ การเลี้ยงชีพที่เว้นจากกายทสจริญสวิจิตรจริญสถามว่าตัววีรรัตตรงนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะมาจากอะไรวิรัตตรงนี้เป็นละเจตนาชั่วร้ายเมื่อมีเจตจานงที่จะงดเว้นจากการฆ่าใจที่เป็นไปกับกรุณาและเมตตาเป็นต้นปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีอายุยืนเนี่ยพอมีเจตจํานงอย่างนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเวลาจะล่วงละเมิดสิกขาบทเหล่านี้ปุ๊บ ตัวสัมมากรรมัตวิรติก็เข้ามาประชุมในใจมาทำกิจในการละเวระเจตนาอากุศลที่ไปนเหตุการล่าแห่งการฆ่าเกลี้ยงไปในใจเห็นัหมมันมาจากใจดีมันมาจากเมตตามาจากการุณามาจากมุทิตานะมันมาจากสภาพจิตที่ดีดีตรงนั้นแล้วมันมาจากการคิดถูกทางนั้นนะมาจากสัมมาสังกปะมาจากความเป็นผู้ฉลาดคิดทั้งหลาย บรรดากลุ่มกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นองค์พยพบมันเป็นองค์องรวมมันเป็นองค์รวมในการที่จะมีความแข็งแรงแข็งแกรง่งในการที่จะละบาปทางกายได้เนี่ยมันมาจากการละบาปทางใจและมีความชาญฉลาดเป็นตัวคอยมาตรวจตรามาชำระทำให้ศีนั้นไม่เป็นไปอย่างมึนมึนงง ง, งเป็นการรักษาศีนที่ถูกต้องโดยงามดีงามพอรักษาศีลที่ถูกต้องดีงามแล้วพิจารณา พอไปพิจารณาก็เกิดเห็นความสะอาดพฤติกรรมตนเองที่สะอาดกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์ทั้งหลายเหล่าเนี้เจตนาชั่วลายไม่มีเลยในใจใจที่เป็นไปกับเมตตาการุณาเมตตาและ ว, วางใจเป็นกลางในเบิดขาเป็นต้นเหล่านี้สภาพใจที่เกิดขึ้นดีอย่างนี้เบีดเสร็จไปมองเห็นขึ้นมาก็ปลาโมดปีติปสัสสติสุขสมาธิเห็นพฤติกรรมก็สะอาดพฤติกรรมทางกายวาจาอาชีพก็สะอาดเห็นจิตใจก็สะอาด เห็นทัศนาความเห็นก็เป็นกรรมสักตาสมาธิที่ชัดมีความเข้าใจอย่างถูกต้องดีงามนี้เป็นต้นเนี่อความที่ไปพิจารณาเห็นอย่างท่องแท้อย่างนี้เป็นต้นก็เลยกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมจิตใจและปัญญาที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดได้ถูกต้องดีงามนี้เป็นต้นวันนี้ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงลงสู่ทิศทั้ง6กด้านะนั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ ใช้วันต่อไปวันต่อไปในการที่จะพูดเรื่องอคติ al, พูดเรื่องสังขารวัตถุ 4. พูดเรื่องพรหมวิหารมีอยู่ในใจออกมาเป็นสังหาวัตถุใช้สังหาวัตถุไปปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ตายา ย, ยายยายพี่น้องญาติมิตรลูกน้องเจ้านายสามีภรรยาหรือปฏิบัติต่อพระสงฆ์พระสงฆ์ปฏิบัติต่อพุทธบริษัทอย่างไร จะยกตัวอย่างภาคปฏิบัติการที่เกิดได้จริงพยายามจะใช้ความรู้เท่าที่มีอยู่ทั้งหลายพยายามจะบอกให้โยมทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจกันวันนี้ไปไม่ถึง <c oughs> ได้แค่น <c oughs> ี้มีใครอยากถามอะไรสักนิดหน่อยก็ถามได้ให้หนึ่งปัญหาในเวลาที่เหลือนิดหน่อยถ้ามีใครจะถามนะถ้าไม่มีก็จะได้จบไม่มีใช่ไหม ไม่มีเนะาะญาติโยมทั้งหลายอยากจะถามปัญหาเถียนถามหรือว่าจะพูดใหม่ออกมาเลยก็ได้ตกลงไม่มีเนาะไม่มีก็ไม่เป็นไรโยม ญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจฟังพระธรรมข้อมทนาท่านทั้งหลายก็ถือว่าท่านทั้งหลายได้เข้ามาฟังธรรมะเป็นการศึกษาเพื่อจะได้เอาพระธรรมคำสอนมาประชุมไว้ในใจแล้วสามารถปฏิบัติการได้จริงประพฤติปฏิบัติได้จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคำว่าปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมะมาใช้เอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเอามาประชุมไว้ในกระแสชีวิตได้จริง แล้วสามารถมีความชํานาญอย่างแคล่วคล่องในการที่จะใช้ธรรมะนั้นๆให้เกิดขึ้นได้จริงในกระแสชีวิตนั้นเป็นความจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งขอโมทนากราเราท่านทั้งหลายด้วยอนุภาพเป็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมปาริยสงฆ์ขอให้คุณของพระรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองกระแสชีวิตของยอมญาติมิตรทุกท่านให้ดําเนินไปตามมรรคาของพระคีณเจ้า รู้ถึงซึ่งอนุปาทานปริทิภานคือการเส้นจากกิเลสและกองทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกประการเทินขอเจริญพรเจริญพรวันนี้มาก็จะมีความพยายามที่จะนำสไลด์ภาพขึ้นแต่ระบบยังไม่เสถียรแล้วในวันต่อไปก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นขอโมทนาท่านทั้งหลายเจริญพร